อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็สนท น, นากันวันที่ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะเออเป็นการบ่งบอกในเรื่องของลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาเออค่อนข้างจะชัดดีทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นนะเหมาะแก่การที่เราจะได้เอามาศึกษากันคือเป็นเรื่องของแยกแยะนะให้เห็น ระหว่างอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่เป็นคำสอ น, นคือลักษณะตัดสินเลยว่างั้นเถอะว่าอะไรเป็นคำสอนของพุทธเจ้าและไม่ใช่มันจะเป็นประโยชน์แก่การที่เราเมื่อเรียนรู้ในเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยได้ยินอะไรมาปุ๊บมันจะได้เป็นหลักมีหลักในการที่จะวินิจฉัยตัดสินว่าอันนี้ใช่คาสอนนี้ไม่ใช่คำสอน แล้วก็จะได้รู้หลักการในคําสอนของพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าสอนแบบไหนอย่างไรนะอันดับแรกเลยจริงๆเนี่ยเรื่องการลักษณะการตัดสินพระธรรมวินยัยพอพูดถึงลักษณะของพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นก็คือมีหลักธรรมะหมวดหนึ่งนะมาพิจารณาโดยแล้วเนี่ยที่พูดถึงในเรื่องของพระธรรมวินยัย เรียกว่าลักษณะแห่งการตัดสินพระธรรมวินัย8ประการลักษณะนี้เป็นหลักที่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงตรัดแก่นางประชาบดีโคเตมีใน8ประการก็คือธรรมะหรือคําสอนใดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ธรรมะที่เขายกมาอ้างนั้นเน่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเป็นคําสอนของภาษาสดาหรือไม่ก็มีหลักว่าหนึ่งก็คือว่าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อวิราคะ ก็คือคลายความกำหนัดก็คือคลายความหายติดเนี่ยจำนวนเก่าก็คือคลายความกำหนัดอันนี้เป็นธรรมะเป็นวินัยเนี่ยทำเราใดเป็นไปเพื่อวิสังโยคะก็คือเพื่อความคลายหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือไม่ประกอบกับทุกข์ประการที่3ามก็ทำเราใดเป็นไปเพื่ออปัจิยะก็คือความไม่พอกคุณกิเลสก็คือไม่พอกคุณราคะโทสะโมหะอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำเราใดเป็นไปเพื่ออปิจกตาก็คือความเป็นผู้มักน้อยมักน้อยในปัจจัย4ี่นะไม่ใช่มักน้อยในกุศลมักน้อยในที่โยอาศัยเครื่องนโหมยาอาหารประการที่ห้าทำเราใดเป็นไปเพื่อสันตุถีคือสันโดษสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้ก็ไม่ได้สันโดษในกุศลเหมือนกันแล้วก็ทำเราใดเป็นไปเพื่อปวิเวก ค, คือความสงัดก็คือกายวิเวก จิตตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกสงัดกายกายไม่ทำบาปเป็นต้นสงัดจากจิตก็คือจิตออกจากอกุศลแล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นอุปธิมาทำเราใดเป็นไปเพื่อวิริยาลํพาก็คือระดมความเพียรหรือปารบความเพียรอันนั้นเป็นคำสอนพุทธิจา่าประการที่8ก็ทำเราใดเป็นไปเพื่อสุภราตาก็คือความเป็นผู้เลี้ยงงา่าย ถ้าไม่เป็นไปตามหลักทั้ง8ประการนี้ถือว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัยไม่ใช่สัตุศาสตร์ไม่ใช่คําสอนของพระบรมศ า, าสดาแต่ถ้าเป็นไปตามหลักนี้ทั้ง8ประการนี้อันนั้นเป็นธรรมะเป็ น, ป น, ปนวินยัยเป็นคําสอนของพุทธเจ้านี่คือลักษณะการตัดสินว่าทำวินัย8ประการประการต่อมาลักษณะตัดสินว่าทำวินัยอีก7ประการนะคล้ายๆกันนี่แหละพุทธเจ้าแสดงตรัสแก่พระบาลีที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีเอตทัคคะทางด้านของพระวินัยก็มีอยู่ในเล่มอยู่เจประการนะทำเราใดเป็นไปเพื่อเอกกันตนิพิทาคือความหนายโดยสิ้นเชิงโดยอย่างเดียวเป็นไปเพื่อความหนายเพื่อความคลายกาหนัดเนี่ยเราใดเป็นไปเพื่อวิรา่าก็คลายความกําหนัดคลายความยึดติดทาเราใดเป็นไปเพื่อนิโรธาคือเป็นไปเพื่อดับนะเป็นไปตั้งแต่คณิกาิโรธ แต่ทางขันนิโรธวิขำพนะนิโรธสมุทเฉท่านนิโรธแล้วก็ปฏิ Daniel ปัสัตที่นิโรธกับพะนิพานเลยเนี่ยทำเราได้เป็นไปเพื่ออุปสมะคือความก็ไปสงบระงับกิเลสทำเราได้เป็นไปเพื่ออภิญยาคือความรู้ยิ่งเฉพาะเช่นทุกเนีทุก เ, ออ เ, เนี่อริยศาสตร์ในความรู้ยิ่งเนีทุกขศาสตร์จากความรู้ยิง่งโดยการกําหนดรู้สมุทัยยะสัจจากความรู้ยิง่งโดยการละนิโรทัสจากความรู้ยิง่งโดยการทําให้ แจ้งทำให้เกิดให้มีขึ้นมากคะสัจจ า, คว า, ค, วาความรู้ยิง่งโดยการเจริญอบรมทําเราใดเป็นไปเพื่อสัมโพธาคือเพื่อตัสรู้ทําเราใดเป็นไปเพื่อพระนิพพานรวมเจประการเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคําสอนของพระุทธเจ้าถ้าไม่เข้าในหลัก7ประการนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นคําสอนของพระุทธเจ้านี่นีเออถ้ามองอย่างกว้างๆอย่างเนื้อในมองแบบวิเคราะห์เนี่ย ยังมีแง่ที่พิจารณาบอกว่าเป็นหลักชั้นในหรือเนื้อในของพระพุทธศาสนาสําหรับเป็นคําสอนที่แท้จริงที่ควรจะแนะนําถ้าอุปมาก็ว่าเราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคนหรือเข้าไปได้ชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่งหรือพบเลือดสองสมหยดแล้วก็วิจัยว่าเป็นเนื้อหนังของคนหรือไม่เป็นรอยเลือดของคนหรือไม่เนี่ยก็ไปตรวจวิเคราะห์ พิสูจน์ดูเซลล์ดูองค์ประกอบดูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหนังของคนเป็นหยดเลือดของคนเป็นต้นเหล่านี้หรือเป็นของสัตว์อื่นเป็นต้นในหลักคำสอนของพระุทธเจ้าก็เหมือนกันพระยุทธเจ้าสอนเรื่องการแยกแยะเรื่องหลักการพิจารณาเนงั้นพรุทธเจ้าจะมีหลักในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นมองลักษณะที่หนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าคำสอนพรพุทธเจ้าเป็นยังไง ลักษณะที่หนึ่งแห่งพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพูดอย่างทั่วๆไปเป็นลักษณะแบบทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือว่าพอพูดปุ๊บเนี่ ย, ยก็จะเข้าใจเลยพระเจ้าสอนในเรื่องของมัชิมาปฏิปท า, าใช่ไหมต้องทำความเข้าใจว่ามนุษย์เรามีความโน้มเอียงไปในทางที่สุดตรงอยู่สองด้า น, น, นมนุษย์จะหันไปหาความสุดตรงในด้านปฏิบัติเช่น บางยุคบางสมัยคนก็เพลิดเพลินมวัวเมาติดแน่นอยู่ในกาลมาสุขติดแน่นในสีที่สวยๆเสียงที่เพราะกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆก็จะเพลิดเพลินหาความสุขทางเนื้อหนังให้ความสําคัญแก่การบำรุงบาเลอกลายมากในยุคนั้นน่ะคนก็ไม่เห็นความสําคัญของด้านจิตเลยฉะนั้นพุทธศาสนาเรียกคนประเภทนั้นและกลุ่มนั้นว่าเป็นกาลมาสุ ข, ขาริกาทุโย การประกอบตอนเองให้หมกมุ่นในการมาสุขใช่ไหมในธรรมจกกักรบอกว่าท่านสูตรพระเจ้าประสอิในเรื่องนี้แต่พอเปลี่ยนมาอีกยุคหนึ่งบางคนก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจรังเกียจความสุขทางร่างกายทางเนื้อหนังแล้วก็เอียงไปทางด้านจิตใจอย่างเต็มที่เลยบางทีก็ทรมานตนเองเลยในเนี้ยนะยอมสลากความสุขทางร่างกายโดยสิ้นเชิงเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จทางด้านจิตใจแล้วก็กลายเป็นการเสพจิตทางด้านจิตไปในนี้ย เขาเรียกว่าทรมานร่างกายที่เรียกเป็นอัตกิละมะามัทธายโยอันนี้แม้ทั้งคนปัจจุบันก็จะเห็นชัดว่าอสุดตรงไปทางด้านของการทรมานร่างกา ย, ยาตัวเองอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอัตกิละมะามัทธายโยปรุริจาก็บอกว่าการเอียงสุดเข้าไปในร่างกายเห็นแก่ร่างกายบำุงบำเลอกายอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้อง หรือการเสพติดทางด้านจิตอย่างเดียวไม่เห็นความสําคัญทางร่างกายโดยสิ้นเชิงก็กลายเป็นการทรมารร่างกายก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันฉะนั้นพระบรมศาสดาก็เลยสอนในเรื่องของคําว่ามัชชิมาปฏิปทาเคได้ยินไหมก็คือว่าแปลว่าทางสายกลางหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางความพอดีที่เป็นแง่หนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งการสืบตรงด้านความคิดซึ่งคนทั่วไปก็มักจะมีความโน้มเอียงเช่นกันซึ่ง การสุดตรงทั้งด้านความคิดเนี่ยคนทั่วไปก็จะโน้มเอียง เ, ยเช่นอย่างง่ายๆก็คือเรื่องวัตถุกับเรื่องจิตใจว่าอะไรมีจริงพวกหนึ่งก็จะเอียงสุดทั้งด้านวัตถุอีกพวกหนึ่งก็เอียงทั้งด้านจิตใจเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยก็มีพวกปรัชญาทั้งด้านตะวันตกที่บัญญัติกันว่า เ, าเรียกพวกวัตถุนิยมกับพวกจิตนิยม ถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจิตนิยมหรือวัตถุนิยมถามบอกเราอ้าวพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตนิยมหรือวัตถุนิยมพระเจ้าไม่ได้เป็นกลุ่มวัตถุนิยมหรือจิตนิยมพระเจ้าสอนให้ความสําคัญทั้งด้านวัตถุและทั้งด้านจิตใจให้สังเกตดูนะ ว, ว, ว่าเวลาขันห้าจะมี2 ส, ส่วนในส่วนของรูปธรรมและนามธรรม ใช่ไหมในส่วนของนามและรูปนามก็ไปแยกแยะในเรื่องของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขขนวิญญาณขันรูปก็ไปแยกแยะในส่วนของมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปก็ไปแยกแยะในรายละเอียดทั้งสองส่วนฉะนั้นพระเจ้าไม่เป็นวัตถุนิยมและไม่ได้เป็นจิตอนิยมอย่างที่เขาเป็นกันทางโลกๆกนั้นพระเจ้าให้ไปรู้ทั้งสองส่วนและไม่ให้ไปเอียงให้รู้ด้วยปัญญาท่านเห็นความสําคัญของจิตและทางด้านวัตถุ ท่านจึงบอกว่าทั้งสองอย่างต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันรูปกับนามต้องอาศัยกันและกันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นถึงจะเป็นไปได้ดีๆเป็นต้นเหล่านี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะมองเห็นก็สิ่งทั้งหลายมีเที่ยงแท้ที่เป็นอัตตาคงที่ตลอดไปกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กลายเป็นพวกสัตตถาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งก็มีความเห็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างขาดศูนย์หมดพวกนี้ก็เลยกลายเป็นพวกอุเฉททิฏฐิ บอกดินน้ำไฟลมทั้งหลายเลยเนี้ยประชุมกันเบีเสร็จก็ขาดก็ศูนย์ไปหมดเลยเห็นไหมพระเจ้าก็ปฏิเสธนะแสดงธรรมที่ไม่เป็นไปทางด้านของศาสนาทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิแต่เห็นว่าศาสนาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้อุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เป็นอย่างนี้พระเจ้าก็แสดงมชิมาปฏิบัติทางสายกลางที่ไม่เอียงก็ไปหาทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือบางพวกบัญญัติว่าทุกสิ่ง ทุกสิ่งมีทั้งนั้นอีกพวกหนึ่งบอกไม่มีจริงไอ้พวกที่กำหนดว่าพวกที่บอกว่ามีทั้งหมดเขาเรียกสัพพติกาทิฏฐิพวกที่ว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยเป็นพวกนัตติกาทิฏฐิเห็นไหมเนี่ยเห็นกับมีกับไม่มีเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือคนเรามีความโน้มเอียงที่จะคิดสุดเอียงสุดหรือว่าตดสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่ง แต่พระบระมา ศ, าศาสตราหรือพุทธศาสนาจะสอนความจริงในเรื่องของสัจธรรมไม่ใช่เป็นไปตามความโน้มเอียงหรือความพอใจหรือไม่พอใจของมนุษย์แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นกลางๆหรือว่าให้ถูกก็คือต้องสอนต้องพูดให้พอดีกับความจริงนั้นเพราะฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรงตามความเป็นจริงหรือสอนให้พอดีกับความเป็นจริงก็เลยกลายเป็นคําสอนที่เป็นกลางคําสอนที่เป็นกลางนี่แหละถ้าในธรรมจักรกับพระวจนสูตร ท่านจะพูดในเรื่องของคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาส่วนในแง่ของความจริงหรือทัศนะที่เกี่ยวกับสัจธรรมก็เป็นกลางอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า ena, มัชเญณธรรมมเทศนาหรือมัชเญณเทศนาตกลงว่าในพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองในแง่ของการปฏิบัติหรือในแง่ของความคิดที่เกี่ยวกับสัจธรรมก็ตามเนี่ยเป็นกลางทั้งหมดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างหนึ่งและเป็นมัชเญณธรรมเทศนานั่นอย่างหนึ่ง เข้าใจคำนี้ไหมคำว่ากลางในที่นี้ก็คือการไม่เอียงก็ไปหาการมาสุขานิการโยกติดแน่นในการมาสุขกับไม่เอียงก็ไปหาในด้านของอตตกิรมฐ า, านิโยกใช่คำสอนที่เป็นไปตะกลางอย่างเงี้ยนี่นน เ, เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แม้การปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติเป็นกลางๆแม้คาสอนก็เป็นการสอนพูดแบบกลางๆไม่ให้เอียงก็ไปด้านใดนด้านหนึ่งอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนการยิงลูกศรเนี่ยลูกศรที่ยิงไปถูกเป้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างคือมันไม่พอดีไม่ตรงกลางนะที่ยิงไม่ถูกเป้าเนี่ย ส่วนลูกศรที่ยิงไปตรงจุดเป้าพอดีเนี่ยมันก็เป็นกลางพอดีใช่เป็นกลางพอดีจึงเรียกว่าสายกลางสายกลางก็คือพอดีตรงความจริงที่จะให้เขาถึงจุดหมายและเท่ากันพอดีมีความจริงที่เป็นสัจธรรมพระเจ้านั้นก่อนทัสรูได้ไปศึกษาในสำนักความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสัจธรรมนะทดลองปฏิบัติใช้เวลาทดลองอยู่6ปีปฏิบัติเอียงสุดเลยนะ ในที่สุดจริงๆก็ค้นพบทางสายกลางเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยและทรงแสดงธรรมะที่เป็นกลางกลางเาเรียกมัดเชนะธรรมเทศนามัชฌิมาปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปราวาตดํรริที่ถูกต้องใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเห็นในไหนเห็นในอริยสัจสี่สัมมาสังกปราดัติริถูกต้องําริในไหนําริในกุศลสังกปัสา 3. สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องก็คือเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากรรมบรตาการกระทําที่ถูกต้องก็เว้นจากกายทุจริตสมสัมมาชีวการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องก็คือเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสีที่เกี่ยวกับชีพสัมมาวิมารเพียรที่ถูกต้องเพียรที่เป็นกลางก็คือเพียรในสมมตประทานสสัมมาสติระลึกในถูกต้องก็ระลึกในสติประฐานที่สี่สัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นที่ถูกต้องก็คือตั้งมั่นในฌานทั้งสีใช่ไหม นี่เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่มัชฌิมาปฏิปทาจะไม่เอียงก็ไปหาความโลภถ้าเป็นเอียงก็ไปหาความโลภเขาเรียกการมาสุกอริการโยกไม่เอียงก็ไปหาโทสะเพราะเป็นอัตตะกิลามฐานโยคใช่ไหมใช่หรือไม่เอียงก็ไ ป, ไปในอุเฉตทิฏฐิไปขาดศูนย์หรือเอียงไปหาสัตว์ทิฏฐิว่าเที่ยงไม่เอียงไปอย่างนั้นหรือเอียงฝ่ายมีกับฝ่ายไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาจะเป็นอย่างนั้น ชนะถ า, ากว่าเราดําเนินไปตามมักมีองแปดปฏิบัติเป็นกลางๆไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เอียงไปข้างโน้นไม่ไม่เอียงไปข้างนี้เนี่ยพอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปสู่การดําเนินชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่ประเสริฐก็กลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เอียงไปหาโลภะไม่เอียงไปหาโทสะเป็นต้นไม่เอียงก็หากรามไม่เอียงก็หาอัตตกิรมัานิยโตกเป็นต้นส่วนมัชเชนะ ธ ร, รมเทศนาได้แก่หลักธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมบาทเรียกเต็มๆว่าอิทัปปจยตาปฏิจจสมบาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่แสดงความจริงเป็นกลางๆตามเหตุปัจจัยเนยีเป็นกลางอยู่ตามสภาวะของมันไม่เอาใจใครไม่ขึ้นกับใครไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเลยแต่พอดีกับความเป็นจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุ ป, ปัจจัยทําให้ผลเกิดขึ้นผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้น ทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้ดำรงอยู่ในลําพังตัวเองมันเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าหลักสายกลางเช่นอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดจิตวิญญาณไปต้นหเหล่านี้ม่เป็นกลางอย่างนี้มันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นกลางทั้งนั้นในทางปฏิบัติและเติต้านความคิดเรียกมัชชีมาปฏิบัติและมัชเชนธรรมเทศนา แม้การปฏิบัติก็กลางแม้การแสดงก็แสดงแบบกลางกลางเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสายกลางมีความหมายว่าพอดีนั่นเองตรงกับที่ใช้ในปัจจุบันก็เรียกดุนยภาพหรือสมดุลสมาตาสมาตาคสมดุลเนี่ยพอดีเนี่ยระบบที่กล่าวเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเรียกว่ามัชิมาปฏิบัติแปลวข้อปฏิบัติที่พอดีเป็นลักษณะที่มีดุนยภาพและผสมดุลอย่างหนึ่งแต่เป็นความพอดีของระบบทั้งหมด และความพอดีโดยองค์รวมด้วยทีนี้ในการปฏิบัติแม้แต่ที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยลงมาเนี่ยสมดุลเนี่ยเช่นในการที่จะเข้าถึงจุดหมายในพระพุทธศาสตร์นาการปฏิบัติตามหลักธรรมเนี่ยย่อยๆหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติจะให้ผลสําเร็จเกิดขึ้นเป็นต้นได้เนี่ยนยีเรื่องที่ท่านเน้นบ่อยๆก็คืออินทรี่ห้าเมื่อวานพูดเรื่องอินทรีย่ ศรัทธากับปัญญาต้องมีดุลกันถ้าร่วงร่วงกันและกันขึ้นมาปุ๊บแปลว่าไม่กลางสมาธิกับความเพียรก็ต้องดุลกันต้องสมดุลกันต้องสมตาเนี่ยมีดุลหรือมีความพอดีระหว่างองค์ประกอบศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่บอกนี่แหละก็ต้องมีความมีดุลกันมีความพอดีกันศรัท ธ, ธาต้องพอดีกับปัญญาถ้าศรัท ธ, ธาแรงไปก็เชื่อง่ายง ม, มง่าย ปัญญามากไปก็มีศรัทธามาช่วยไม่มีศรัทธามาช่วยหนุนก็จะเป็นคนที่ไม่รู้ก็รู้ที่จับจดนะหรือไม่ก็ขี้สงสัยคิดฟุ้งไปเลยเป็นคนคิดไปทั่วเห็นอะไรก็ปฏิเสธซะก่อนไม่รู้จักจะเอามาหยั่งลงไปลึกลงไประหว่างวิริยะกับสมาธิทวิริยะเพียนมากเกินไปสมาธิน้อยก็กลายเป็นคนเครียดกลายเป็นคน พุ่งผ่านฟุงซ่านจะได่เพี้ยนมากไปแต่ถ้าสมาธิมาก mm. เพลนสบายติดอยู่ในสมาธิจะทำให้คนๆเกียดติคานมองเห็นยังพระเจ้าสอนอยังไงเอาระวังไนกับบอมเนี่ยอ้าวทางด้าน ใครศรัทธาน้อยใครศรัทธามากใครศรัทธากับปัญญาเนี่ยบอมเป็นคนศรัทธามากหรือปัญญามากหรือว่าศรัทธาน้อยหรือปัญญาน้อยหรือรยังไงหรือปัญญามากศรัทธากับปัญญาเนี่ยไหนมากกว่ากันฮะต้องเกตตัวเองอะ่ะตัวไหนน้อยหรือน้อยทั้งกูเออน้อยทั้งกู น้อยทั้งคนแล้วนแนจริงเลยแล้ววิริยะกับสมาธิอันไหนมา ก, กมาาเกียรคานอยู่ไหมบอมวิริยะกับสมาธิอันไหนมากก็เพียนเยอะฟุ้ง เพียนไม่ใช่ลุกไปทำนู้นทำนี้นะเพียนทั้งจิตไม่หยุดตกตลอดเพราะฉะนั้นต้องมามีความพอดีกันด้วยนะระหว่างวิริยะกับสมาธิและมีความพอดีระหว่างศรัทธากับปัญญาโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมเมื่อสติควบคุมปุ๊บอย่างนี้เขาเรียกว่าสมตาหรือแปลว่าสมดุลหรือว่ากลางสติจะคอยดุลไว้คอยกุม ในข้อปฏิบัติต่างๆในพระศาสนาก็จะต้องมีสมมาตาก็คือความสมดุล น, นี้แหละเป็นความพอดีชนิดหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นสายกลางชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นความประสานสอดคล้องกันระหว่างข้อปฏิบัติปิดย่อยต่างๆที่มาประชุมรวมกันในการทํางานสิ่งต่างๆแบบนี้พวกเราก็ต้องไปปรับกันตรงนี้ดันให้ขึ้นว้วยก่อนแล้วก็ไปปรับดันใี่ขึ้นไว้ก็ไปปรับใช้ใช้สตินั่นแหละเป็นตัวคอยกํากับเป็นเครื่องคอยควบคุม ทีนี้เวลามองข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องมีความพอดีเหมือนกันนก็คือความพอดีในการปฏิบัติแต่ละอย่างเช่นรับประทานอาหารก็ต้องมีรู้จักประมาณเาเรียกโภชเนมตัยูตาเนี่ยให้รู้จักความพอดีประมาณในด้านของอะไรเป็นโทษต่อร่างกายจะได้สุขภาพแทนที่จะได้กําลังหรืออาจจะเสียสุขภาพเนี่ยมันทอนกําลังปัญญาด้วย อ, อนแอเกิดโรคเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเนีมีความรู้จักประมาณในการบริโภคดังที่บอกว่าโพชเนมัตัญยุตานี่แหละตัวความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีเนี่ยเป็นหลักกลางๆนะเขาเรียกว่ามัตัญยุตาความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีในการปฏิบัติต่างๆโดยทั่วๆไปนั่นจะเห็นว่าหลักการในพุทธศาสนาทุกระดับมีเรื่องของความพอดีและความเป็นสายกลางทั้งนั้นเลยนีมองเห็นหรือยัง เม้แ ก, การกินอาหารทีนี้ไอ้คำว่าเป็นกลางเนี่ยการกินอาหารเนี่ยเอาปริมาณมาวัดได้ ไ, ดไหมเช่นเรากินหนึ่งถ้วยเท่ากันได้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นกลางไหมเช่นตอนกลางวันนี้เราจะกินอาหารคนละหนึ่งถ้วยเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสายกลางไหมกลางเขาวัดตรงไหนเราจะวัดยังไง ให้เกิดความพอดียังไงที่จะเรียกว่าสายกลางจะวัดยังไงเอาอย่างกินอาหารยังไงเรียกว่ากลางของเราก่อนอยากจะรู้หน่อยพวกเราไอ้คาว่ากลางของเราหรือมชิมาปฏิบัติานี่เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดแล้วเคยวัดกันไหมหรือไม่ได้เคยวัดเลย จริงๆมันอย่างนี้ด้วยนะหนึ่งที่มันไม่เป็นโทษต่อร่างกายด้วยสองคำว่าพอดีเนี่ยแปลว่าถ้ารู้ว่าอีกสี่หรือห้าคจะอิ่มให้หยุดนี่คือกลางถ้าจะกินไปอีกสหรือห้าคจะอิ่มเนี่ยตอนนั้นก็หยุดก็เติมน้ำลงไปนี่นจะพอดีอย่างนี้ด้วยว่ยาจริงทุกครั้งหมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสายกลางนะกลางที่พอดีเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าลอดเลยขอไฟกินด้วยจะอิ่มเลยเลยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกแน่นใหญ่เลยเงี้ยนี่อันนี้ไม่ไ ม, ไม่กลางฉะนั้นความเป็นสายกลางคือความพอดีที่จะให้ถึงจุดหมายอ่ะให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ให้สุดโต่งหรือเอียงสุดหรือพลาจากตัวความจริงไปจึงเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาด้วยนี่สายกลางนี่ลักษณะที่1 น, นะลักษณะที่สองหลักคําสอนพุทเจ้าเนี่ยเป็นหลักการที่เป็นสากล เอสากลเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นสากลพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญก็คือความเป็นสากรเป็นสากลทั้งด้านความคิดทั้งด้านปฏิบัติถามว่าสายกลางทั้งความคิดและทั้งการปฏิบัติในแ ง, ง่ความคิดในที่เนี้หมายถึงสัจธรรมนะคำสอนที่เกี่ยวกับสัจธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนความจริงที่เป็นกลางกลางไม่ขึ้นต่อบุคคลกลุ่มเหล่าหรือพวกแม้แต่ตัวพุทธศาสนาเองตัวอย่างเช่น ท่านสอนว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปเนี่ยการทําปาณาธิบาตเริ่มตั้งแต่ฆ่าคนเป็นต้นไปเป็นบาปก็สอนเป็นกลางๆเราไม่ว่าจะฆ่าคนไหนก็เป็นบาปทั้งนั้นไม่ว่าจะฆ่าคนนับถือศาสน า, าไหนก็บาปจะเป็นฆ่าคนปา่าฆ่าโจรฆ่าผู้ร้ายฆ่าคนดีหรือไม่ดีก็จัดว่าเป็นบาปเพราะถือมีเจตนาในการฆ่าและจัดว่าเป็นบาปเลยมองเห็นยัง อีกตัวอย่างหนึ่งมอง ก, กว้างก็คือพุทธศาสนาสอนเงื่อนความจริงที่เป็นสากรนี่อย่างว่าความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรมธ ร, มธรมดาคือตาธรรมดาเขาสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองเขาเรียกว่ากฎของกฎธรรมชาติกฎความจริงธรรมชาติไอ้ธรรมดาสิ่งทั้งหลายที่เป็นเช่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเมื่อใครทําเหตุปัจจัยอย่างไรผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนพวกไหนคนที่ทําดี คนคนที่ไหนทําดีก็ไปสวรรค์คนไหนพวกไหนทําชั่วก็ไปนรกไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งการนับถือาศาสนาหรือไม่นับถือจะเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าจะเชื่อใครก็แล้วแต่ถ้าทําดีแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าทาไม่ดีแล้วก็ไปทุคติเหมือนกันหมด น, นี่ลักษณะอย่างนี้เป็นการสอนแบบสากลก็จะจยังท่านสอนความจริงเป็นสากลแบบกลางๆนี้แหละเป็นลักษณะที่ชัดเจน เป็นคําสอนที่เป็นความจริงกลางๆสอนอย่างเป็นกลางหรือสัจธรรมเป็นความจริงอย่างที่ไม่อย่างที่ต้องเป็นความจริงอย่างนั้นไม่สามารถแบ่งเป็นพวกเป็นประเภทเป็นหมู่เป็นเหล่าได้ความจริงก็คือความจริงในทางปฏิบัติก็เหมือนกันเช่นสอนให้คนมีเมตตากรุณาเนี่เป็นสากลเมื่อสอนว่าการทำมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษและก็มีความจริงเป็นสากลวสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกียติทุกข์เหมือนกันหมดก็สอนให้เผยแผ่เมตตากรุณาแกสัตว์ทั้งหลายทั่วกันเนี่ย นั้นชาปุษก็เลยต้องมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ตั้งแต่มนุษย์ไล่ไปตามลำดับเลยนอะยนั่นเถอะไม่ได้แบ่งเชื้อชาติแบ่งศาสน า, ศาไม่ได้แบ่งว่าชนชาติไหนเหมือนกันหมดให้มีความรักปรารถนาดีต่อคนทุกคนทุกจำพวกไม่แบ่งฝกักแบ่งฝ่า ย, ยาความเป็นสากลเนี่ยว่าที่จริงเป็นสายกลางอย่างหนึ่งก็คือเป็นสายกลางตามความเป็นจริงมองเห็นยางนี่ักษะที่สอง ก็คือหลักการของพุทธศาสนาที่สอนพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้วางท่าทีทางใจถูกแต่อย่างนั้นมันจะแบ่งใช่ไหมพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แ, แบ่งพรรคแบ่งพวกจะสอนว่าเออมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่กรรมเลยนี้อภการต่อไปคือว่าลักษณะที่สมก็คือถือความสําคัญทั้งสาระทั้งรูปแบบมีสองส่วนนีสาระก็ถือรูปแบบก็ถือ ไม่ใช่บอกอุ้ยเอาแต่สาระรูปแบบไม่เอาไม่ใช่เอาแต่รูปแบบสาระไม่เอาไม่ใช่อย่า ง, ง น, นั้นนี่ลักษณะของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับธ ร, รรมวินัยเนี่ย<ม>เห็นชัดหลักธรรมวินัยเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาเนีถ้าเรียกพุทธศาสนาก็ต้องเรียกว่าธรรมะวินยัยต้องมีทั้งสองอย่างเป็นพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์เนีถ้ามีธรรมะอย่างเดียวไม่มีวินยัยเป็นพุทธศาสนาไม่ได้มีวินัยอย่างเดียวไม่มีธรรมะก็เป็นพุทธศาสนาไม่ได้ ในโลกปัจจุบันในโลกที่ผ่านมาก็ตามจะมีการถกเถียงกันว่าบุคคลกับระบบอย่างไหนสําคัญกว่ากันอันไหนสำคัญกว่าบุคคลกับระบบเนี่ยอันไหนสําคัญกว่า กันแ่้ววาว่างไงบคุคคลกับระบบอย่างไหนสาคัญกว่าบางคนก็บอกบุคคลสาคัญระบบไม่สำคัญบางคนก็บอกระบบสาคัญบุคคลไม่สาคัญระบบเป็นอย่างไรคนก็เป็นไปตามนั้นใช่มคนพวกหนึ่งก็บอกว่าปัจเจกชนสาคัญสังคมเกิดจากปัจเจกชนสังคมจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามปัจเจกชน ถ้าทำปัจเจ ก, กชนให้ดีสังคมก็ดีไปเองอีกพวกหนึ่งก็บอกสังคมสําคัญปัจเจ ก, กชนเนี่ยถูกหล่อหลอมโดยสังคมทำสังคมไม่ดีแล้วปัจเจ ก, กชนก็ดีไปตามเนี่ยเถียงกันอย่างเงี้ยงั้นในแง่ของสาระกับรูปแบบเนี่ยพวกหนึ่งบอกว่าสาระสําคัญรูปแบบไม่สําคัญเนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบเป็นเพียงเปลือกเปลือกข้างนอกเท่านั้นเองบางพวกก็บอ ก, กรูปแบบสําคัญรูปแบบเป็นเครื่องกําหนดเนื้อหาเถียงกันอยู่ไม่รู้อยากจบใช่ไหม ในการฝึกการปฏิบัติก็เหมือนกันพวกหนึ่งบอกว่าด้านในจิตใจสําคัญกว่าต้องฝึกจิตใจถ้าจิตใจฝึกจิตใจได้แล้วทุกอย่างก็ดีไปเองบางคนก็ร่างกายภายนอกไม่สาคัญอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าสําคัญทั้งที่ทวัตถุภายนอกเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่อาศัยวัตถุภายนอกจักก็จักวัตถุถ้าทําภายนอกดีสภาพสิ่งแวดล้อมวัตถุดีแล้วมีความเจริญพัฒนพร้อมทั้งด้านวัตถุทั้งด้านเศรษฐกิจดีแล้วจิตใจก็ดีไปเอง สรุปแล้วเนี่ยมันเถียงกันในลักษณะอย่างเงี้ยคนจำนวนมากก็เถียงกันแม้แต่เรื่องสมัครใจกับบังคับอย่างไหนจะดีกว่ากันอา้าวเวลามันนั่งฟังธรรมะเนี่ยสมัครใจกับการบังคับอันไหนดีกว่ากันเอียงอย่างเงี้ยเอียงป็นด้านใดด้านหนึ่งไงไหะ ถ้าลองคิดดูดีว่าเอาลองเอาปรฏิอาชาแล้วแต่ใครจะสมัครใจจะเรียนแล้วจะอยู่ไหวไหมเนี่ยแล้วจะสมัครใจจะทําก็ทําไม่ทําก็อย่าทําอย่างเนี้อยู่ตัวกันตรงเนี้ยถึงเวลามานั่งสนทนาธรรมะแล้วจะสมัครใจใครอยากจะนั่งอยู่ในห้องก็ได้ <laughs> แล้วจะเป็นยังไงเนี่ชีวิตจะเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไง <laughs> เนี่ยเห็นไหมบางคนก็บอกสมัครใจดีกว่ า, บ, าบังคับบางคนก็บังคับดีกว่าสมัครใจเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอีกพวกหนึ่งก็บอกไม่ได้หรอกคนเรามีกิเลสมากต้องบังคับถ้าไม่บังคับแล้วมันจะได้ผลได้ยังไงที่ผ่านมาชีวิตมันต้องบังคับตลอดบังคับให้ใส่ชุดอย่างว่าว่อาอ้าตอนเนี้ยบงัง จะสมัครใจหรือจะบังคับเนี่ยใส่ชุดดำเนี่ยใช่ไหแล้วแต่เอาใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เขาประกาศแบบนี้ไหมนึกประกาศแบบไหนให้แต่งตัวไว้ดำใส่ชุดดำเนี่ยหนึ่งปีอา้าวเดี๋ยสิเดี๋ยใช้คบว่าให้เนียไม่ใช่ว่าแล้วแต่ท่าน ใ่เออตรงนี้ก็เลยมานั่งเถียงกันยังไงพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งยอมรับความสำคัญของแต่ละอย่างแต่ละอย่างด้วยตามความเป็นจริงของมันหรือตามคุณค่าที่มันมีอยู่โดยมองตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นนะให้พอดีกับที่มันเป็นด้วยว่าสิ่งทั้งหลายแต่ละอย่างมีความสาคัญตามส่วนของมันแค่ไหนอย่างไรอันนี้เรียก่าเป็นกลางเลยนะ และความเป็นสายกลางอีกอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาด้วยและให้ความสําคัญทั้งสาระทั้งระบบด้วยให้ความให้ความสำคัญทั้งด้านของปัจเจกบุคคลและทั้งด้านของสังคมด้วยให้ความสําคัญตั้งแต่ว่าบางอย่างต้องบังคับบางอย่างต้องสมัครใจด้วยใช่ไหมไม่ได้เอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งพอมองเห็นไหมเนี่ยถ้าให้พวกเราตอบก็ผิดเลยเข้าใจพุทธศาสนาคาดเคลื่อนกันเลยนะ ในเรื่องสาระการรูปแบบเป็นต้นที่ว่าพระเจ้าก็บัญญัติหลักคำสอนพระองค์เนี้ให้มีองค์ประกอบทั้งสองส่วนก็คือธรรมะกับวินัยคมแล้วก็ทั้งคู่เลยธรรมะนี่เป็นหลักความจริงนะซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาของมันและเป็นสิ่งที่บุคคลจะเข้าถึงได้ธรรมะนั้นน่ะ สังคมไม่สามารถมีปัญญารู้ได้บุคคลแต่ละคนเท่านั้นที่จะมีปัญญารู้รแจ้งถึงสัจธรรมได้ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันหมดใช่ไหมเพราะอยู่ที่ว่าใครจะฝึกปัญญาหรือเปล่าถ้าฝึกปัญญาพัฒนาปัญญามาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะหรือกฎความจริงนั้นได้แต่ในเวลาเดียวกันพุทธศาสนาก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าวินัยเนี่ยวิ น, ยนัยเป็นการจัดตั้ง และจัดการเป็นรูปแบบเป็นระบบเป็นกติกาเป็นกฎกเกณฑ์เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติหรือกำหนดวางขึ้นเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เน้นทางด้านวัตถุและเป็นเรื่องของสังคมวินยันยเรื่องสังคมบัญญัติขึ้นมาเพื่อจัดสรรสังคมให้ดำรงอยู่ด้วยดีในภาวะที่เกื้อกูลต่อชีวิตของบุคคลทั้งหลายด้วย ว่ามนุษย์ทั้งหลายที่จะมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นสังคมนั้นให้บุคคลนั้นมีชีวิตอยู่ตามธรรมะได้อย่างดีที่สุดและให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจากธรรมะเนี่ยจะเห็นว่าธรรมะและวินัยสองอย่างนี้มาสัมพันธ์กันก็เพราะว่าพุทธศาสนาให้ความสําคัญทั้งธรรมะและวินยัยถึงขนาดบอกว่าธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยธรรวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของถือโอ้โหให้ความสําคัญข น, นาดนั้นไม่ใช่เป็นให้ความสําคัญแต่ธรรมะอย่างเดียวนะวินัยก็ต้องสําคัญ แล้ไม่ใช่สุดตรงไปในวินัยอย่างเดียวด้วยธรรมะก็ต้องสำคัญในปัจจุบันนะถ้าพูดในปัจจุบันก็ความสำคัญว่าให้ความสำคัญทั้งแก่บุคคลและระบบให้ความสำคัญทั้งแก่ปัจเจกชนและสังคมให้ความสำคัญทั้งสาระและรูปแบบให้ความสำคัญทั้งการปฏิบัติทางด้านจิตใจและการปฏิบัติทินเน้นทางด้านวัตถุทางด้านกายวาจาด้วยนย <Yeah. S 1> และก็ให้ทั้ง การสมัครใจและการบังคับหมายถึงการฝึกด้วยกฎกติกาอย่างสมดุลหรือสมตาที่บอกว่าให้พอดีจะเกื้อหนุนให้เกิดผลดีตามที่มุ่งหมายอันนี้ก็คือลักษณะของพุทธศาสนาที่เข้ากับข้อแรกก็คือแยกให้เห็นว่าเป็นพิเศษก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในเรื่องของท่านให้ธรรมะเป็นเครื่องเป็นเรื่องของการสมัครใจธรรมะเป็นเรื่องการสมัครใจ เราแต่ละคนเกี่ยวข้องกับธรรมะด้วยสติปัญญาของตนเองจะต้องรู้เข้าใจเห็นแจ้งสัจธรรมด้วยปัญญาของตนเองเฉพาะบุคคลนี่ธรรมะให้อย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันในด้านวินัยเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของรูปแบบเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยการเลว a j เป็นแบบแผนที่บังคับแก่ทุกคนเสมอกันสาหรับ ให้เป็นเครื่องตะล่อมและหล่อห ล, อ, ลอมเป็นเครื่องสร้างภาพสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะชักจูงบุคคลก้าหาธรรมะฉะนั้นก็เลยเอาตัววิ่นในเป็นตัวจัดสรรเป็นตัวรูปแบบเป็นกติกาในการที่จะรวมคนเราให้มาเดินตามรูปแบบเดินตามแบบแผนเดินตามกติกาเพื่อจะทําให้คนเรานั้นะฝึกตนเองก็ถึงธรรมะใช่มนั่นเป็น ก็คือว่าจะได้นำธรรมะมาใช้ปฏิบัติหรือเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ตลอดจนการที่จะเจริญงอกงาไม่ยิ่งยิ่งไปในธรรมะเข้าถึงธรรมะได้ก็อาศัยนี่แหละวิไนนี่แหละเป็นตัวจัดระบบเข้าไปเช่นปราถนาอยากจะเข้าถึงธรรมะอา้าวดีที่สุดก็คือเข้ามาบวชไอตัวที่มาจัดสรรให้ว่ามีชุดใส่แบบนี้กอนผมอย่างนี้โปร่งหนวดอย่างนี้นะ แล้วก็นุ่งห่มอย่างนี้ถือภาชนะอย่างนี้กินอาหารอย่างนี้มีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นวินัยแต่ว่าตัวประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็เข้าได้งา่ายได้สะดวกดีกว่าคารว่าทั่วๆไปเออเนี่ยสำคัญไหมรูปแบบเนี่ยเป็นตัวทา่านธรรมะเป็นฐานรองรับเป็นที่อิงอาศัยของวินัยวินัยก็คือกฎเกณฑ์ข้อบังคับและแบบแผนของสังคมเป็นการจัดตั้ง ถ้าไม่อิงธรรมะก็เหลวไหลใช้ไม่ได้เลยเช่นตั้งระเบียบออกมาเนี่ยจะไม่มีจุดหมายเพื่อธรรมะหรือตั้งระเบียบออกมาแบบไม่มีธรรมะเหลวไหมเสียหายไหมเช่นฉันจะตั้งแบบนี้แหละแต่ไม่ได้คํานึงถึงเพื่อจะให้ฝึกคนให้เข้าถึงธรรมะเช่นทุกคนต้องมาทํางานพร้อมกันเพราะทํางานพร้อมกันเนี่ยเข้าตรงเวลาทําตรงเวลาว่าตุกประสงค์เพื่อจะทําให้งานนั้นเสร็จเท่านั้ น, นจะได้ได้เงินได้ทองได้อะไรเยอะๆ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คนเนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วเกิดความรักสามคัคคีเกื้อหนุนกันฝึกตนเองเข้าถึงธรรมะเข้าถึงเมตตาอย่างไรกรุณาอย่างไงมุทิตายัางไงเ อ, อมีความอดทนอย่างไงเงี้ยไม่ไม่ต้องการฝึกให้มนุษย์เข้าถึงตรงนั้นหรอกแต่ต้องการทําเพื่อ ง, งานเพื่องเงินเท่านั้นเองเนี่ยถ้าไม่มีจุดหมายว่าธรรมะมันเหลวไปไม่ได้ก็เครียดก็ก้กมก็เป็นอยู่อย่างทุกวันที่เห็นมองเห็นอี่ไงเนี่ยวิในที่มันมีฐานที่ธรรมะเนี่ยมันเหลวมันใช้ไม่ได้ มันไปได้ไม่ดีสังคมก็พล้ามัวจับจุดอะไรไม่เจอไม่รู้จุดหมายอยู่ตรงไหนมองเห็นนี่ยังเริ่มเห็นชัดขึ้นไหมเนี่ยธรรมะมันเหลวใช้ไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอยู่บนฐานของธรรมะมันก็กลายเป็นการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวินัยต้องอิงอยู่บนฐานของธรรมะอีกด้านหนึ่งก็คือเรามีวินัยเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนเราแต่ละคนเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลในการที่เข้าถึงธรรมะ มีวินัยแล้วจะได้ทําสภาพให้แต่ละบุคคลเข้าถึงเมตตาอย่างไรเข้าถึงกรุณายังไงเข้าถึงมุทิตายังไงเข้าถึงโุเบขาอย่างไรเข้าถึงฉันทะยังไงวิริยะยังไงจิตตะปัญญายังไงเป็นต้นเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาหรือเข้าถึงสมาธิถี่สมาสังกปะสมมาวจาศมมากรรมตาสมาอาชีวะสมาวิมารสมาสติสมาสมาธิเออเนี่ยจะเข้าถึงมากยังไงก็ต้องเอาวินัยเป็นตัวตะล่อมเป็นฐานในการที่จะเป็นแบบแผนเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นข้อปฏิบัติ ทำให้มนุษย์นั้นฝึกตนเองก็ถึงธรรมะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นได้มองเห็นอย่างเดียวนี้มินัยสำคัญหรือไม่สำคัญฉะนั้นมาฟังธรรมะร่วมกันนี่ให้มาฟังเป็นเวลาเนี่ยเขาเรียกมีวินัยแบบแผนนี่เป็นกติกาเป็นข้อตกลงแต่วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงศรรีลเข้าถึงสมาธิแล้วก็เข้าถึงปัญญาจะได้เข้าถึงศรัทธาจะได้เข้าถึงเมตตาจะได้เข้าถึงความทราบซึ่งในพระรันาตนตรัยเอออย่างเงี้ยได้เข้าถึงธรรมะ แต่ถ้าไม่มีกติกาไม่มีแบบแผนไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนี้มันก็เข้าไม่ได้นะียกเว้นคนที่มีปัญญาดีจริงๆย่าไม่ต้องอาศัยกติกาเลยใช่ไหมหกคำเตีรังกาแล้วเข้าถึงธรรมะได้เลย <c oughs> เราเป็นกลุ่มนั้นไหมไม่ใช่เนะี่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์กติกานี่แหละงั้นวินัยก็เลยอิงอาศัยธรรมะแล้วก็เป็นไปเพื่อให้คนเข้าถึงจุดหมายก็คือธรรมะนั่นเองโดยเฉพาะธรรมะสูงสุดคือปณิพการ วิในยเป็นเปลือกนอกช่วยห่อหุ้มเนื้อในก็คือธรรมะไว้ถ้าไม่มีเปลือกนอกห่อหุ้มไว้ต่อไปไม่นานเนื้อในมันก็จะสูญหายหรือลบเลือนไปเพราะฉะนั้น่เราจึงต้องเห็นความสําคัญทั้งเปลือกนอกและก็นเนื้อในด้วยใช่ไหมมะพร้าวเนี่ยมีเปลือกนอกใช่ไหมสำคัญไหม เปลือกก็สาคัญกะลาก็สาคัญเนื้อในก็สาคัญน้าในนั่นก็สาคัญหมดเออจะไปบอกว่าอะไรสาคัญกว่ากันไม่ได้นะนั่นพุทธศาสนาจึงให้ความสาคัญทั้งวินัยและธรรมะนี่หลักการอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างงี้จะเห็นมุมอะไรชัดขึ้นแล้วจะได้ไม่เป็นคนสุดต่งหลายๆคนตอนนี้สุดต่งใช่ไมไม่สนใจวินัยแล้ว ฉันอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันเนี่ยคิววันอะไรก็จะกินยังงี้ยุ่งไหมเนี่ยยุ่งเลยนีถ้ามะม่วงไม่มีเปลือกมะพร้าวไม่มีกะลาเป็นต้ น, เ, น <five> เราก็อาจจะบอกว่าเออกะลาไม่สำคัญเพราะกินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีกะลาเราก็ไม่สามารถจะกินเนื้อมะพร้าวน้ํมามะพร้าวได้ใช่ไหมในทางกลับกันถ้ามีแต่เปลือก ก็ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าจะมองให้มีประโยชน์ต่อไปโดยไม่มีเนื้อมาพะก็ไม่ใช่ประโยชน์ในต่อแล้ะนั้นเราจึงต้องมีให้ความสําคัญนะทั้งสองส่วนในด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ในรักในะพุทธศาสนามีทั้งธรรมะและวินยัยนอกจากธรรมะวินัยที่ทรงวินัยนี้แล้วจึงมีสง์เนะีเพราะมีธรรมะมีวินัยนี่แหละจึงมีสง์ซึ่งแบ่งเป็นสมุติสงฆ์และอริยะสงฆ์ เข้าถึงเนื้อในคือธรรมะก็คือเป็นอริยสง์แต่ถ้าอยู่แค่ชั้นนอกอยู่แค่วินัยก็เป็นสมมุติสง์เน<ง>ี่ยตามให้เราเป็นสงฆอย่างเงี้ยวินัยเป็นตัวจัดตั้งเราเรียกสมมุติสง์แต่ถ้าฝึกตนเองตามศีลตามสมาธิปัญญาเมื่อเข้าสูงสุดของศีลสมาธิปัญญาได้ก็เป็นอริยสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสความสำคัญนีถามว่าสมมุติสง์นั้นตั้งขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อความมุ่งหมายให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและก็เกื้อกูลในการที่บุคคลทั้งหลายจะปฏิบัติธรรมะเพื่อจะได้รวมกันเป็นหรือร่วมกันจะได้ร่วมเป็นอริยสงฆ์ก็คือและสมมติสงฆ์นี่แหละจะรักษาพระธรรมวินัยไว้เป็นผู้ที่คอยเผยแผ่ประกาศธรรมะไว้เพื่อจะได้ให้มีคนได้เข้ามาร่วมเป็นอริยสงฆ์ต่อๆไปนานๆเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นสมมติติสงฆ์จึงมีความสําคัญ จะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการประกาศหลักการเพื่อทําให้คนเข้าถึงความเป็นอริยสงฆ์แต่อริยสงฆ์ก็มีความสําคัญถ้าไม่มีอริยสงฆ์จะมีสมมติสงฆ์ไว้ทำไมใช่ไหมสมมติที่สงก็เป็นปันจจัยเกื้อหนุนจะให้ได้เข้าถึงอริยสงฆ์ดังนั้นสมมติที่สองก็มีความหมายว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญแก่ส ม, มุติสง่์ก็คือความเป็นอริยสงฆ์แต่สิ่งที่เอื้อต่อการเกิดและมีคงมีอยู่แห่งอริยสงฆ์ก็คือสมุติที่สงเนี่ยมันเกื้อหนุนอย่างเงี้ยสิ่งที่ให้ความหมายแก่วินัยก็คือรมะ แม่สิ่งที่รักษาธรรมะไว้ก็คือวินยัยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงประกอบไปได้สองส่วนก็คือธรรมะและวินยัยอิงอาศัยประสานกันร่วมกันนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยถ้ามองที่ด้านคำศัพท์นะเป็นเอกพจน์ด้วยนะเช่นธรรมะวินัยเนี่ยเมื่อรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เลยกลายเป็นพุทธศาสนาคล้ายบอกคำ ว, ว่ารูปกับนามรูปก็คือมหาพุทธรูปอุปาทายรูปใช่ไหม นามก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันพอสองส่วนนี้ประกอบกันขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นชีวิตถ้ามนุษย์เอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกนี่เป็นชีวิตไม่ได้ใ ช, ใช่ชีวิตที่ประกอบไปได้วยขันห้าเนี่ยมีส่วนของรูปและกันนามนามรูปอิงอาศัยประสานกันร่วมกันอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เรเรียกกันเป็นว่านามรูปก็เป็นเอกพจน์เหมือนกัน รวมเปนะ็นอันหนึ่งเดียวกันก็กลายเป็นชีวิตถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ชีวิตก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพระสงฆ์จะเห็นว่ามีธรรมะวินัยในควบคู่กันอยู่เนาะแต่สำหรับฝ่ายเครือขัดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเน้นเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งนะบางทีก็นึกถึงแต่ในแง่ของธรรมะที่จริงเนี่ยชาวพุทธก็ต้องมีสองส่วนเหมือนกันก็ต้องมีทั้งวินัยและธรรมะด้วย เช่นขิหีวินัยอวินัยข อ, องครือหัสเช่นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยที่พึงปฏิบัติต่อกั น, น, นด้านวินัยทั้งนั้นล้วส่วนของธท ร, รมากะจะเอาอีกข้อหนึ่งจะจะได้ไหมเนี่ยในลักษณะที่สี่ก็เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นกรรมวารกรรมวัฏกิริยาวาฏวิริยาวาฏลักษณะที่สเนี่ยเนี่ย เป็นกรรมวาทะหรือกรรมวาทีพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านใช้คําว่าทั้งหลายเนี่ยคือไม่เฉพาะจอดจงพระเจ้าองค์เดียวนะทุกพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าทั้งหลายในอดีตในอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะล้วนเป็นกรรมวาทะเป็นกิ ร, ริยาวาทะเป็นวิริยาวาทะหรือเป็นกรรมวาทีกิ ร, ริยาวาที เ, เวลาใช้วาทีท่านมีแค่2คือกรรมวาทีวิริยะวทีแต่ถ้าใช้วาทะเนี่ยมี3คือกรรมวาทะกิริยวาทะและก็วิริยะวาทะเอาความหมายพุทธศาสนาสอนในเรื่องของหลักกรรมสอนว่าการกระทําน่มีจริงการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจน่มีจริงเป็นกรรมวาทะใช่ไหมสอนเรื่องการกระทาสอนว่าทาแล้วเป็นอันทมนะ ถ้าสอนแล้วว่ากระทําก็เป็นอันธรรมไม่ใช่ไม่เป็นอันธรรมสอนกนระทําปุ๊บมันก็เป็นกรรมไม่ใช่ไม่เป็นการสอนในลักษณะนี้เรียกกิริยาวาทะสอนว่าอีกอย่างหนึง่งสอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริงแลาเพียรพยายามในการทําอะไรแล้วไม่ใช่ไม่มีผลจึงทําได้ด้วยความเพียรพยายามมันเลยกลายเป็นวิริยะวาทะสอนว่าความเพียรมีผลมีไม่มีมีไห ม, ม, ม, ม, ม, มกรรมมีผลไหมเนี่ย สอนเรื่องความเพียรก็มีผลจริงให้ทําด้วยความเพียรพยายามเป็นวิริยะวาทะให้ความสำคัญแก่ความเพียรเป็นาศาสนาแห่งการกระทาเป็นาศาสนาแห่งการเพียรพยายามไม่ใช่าศาสนาแห่งการหยุดนิ่งเฉยเฉยชาหรือเกียจคานพระเจ้าเป็นวิริยะวาทะกรรมาวาทะกิริยาวาทะวิริยะวาทะถ้าบอกวาทีมีสองอย่างนะกรรมาวาทีและวิริยะวาที ก็คือว่าสอนในเรื่องการกระทํานมีจริงเป็นกรรมาวาทะสอนว่ากระทําแล้วก็เป็นอันธรรมเป็นกิริยาวาทะสอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริงเป็นวิริยาวาทะไปฉะนั้นหลักคําสอนเนี่ยจะเน้นอยู่เสมอพระเจ้าจะสอนว่าเหมือนกับหลักการปฏิบัติทั่วๆไปในหมู่มนุษย์เนี่ยเมื่อเผยแผ่ไปในหมู่มนุษย์กว้างขึ้นซึ่งก็มีระดับสติปัญญาที่ต่างกั น, นมีความเอาใจใส่ต่างกันมีพุ่มเพภูมิหลังทั้งหลายต่างกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นสำหรับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่บังคับความเชื่อไม่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ให้เสรีภาพทางด้านปัญญาเวลาคําสอนและหลักการปฏิบัติเนี่ยที่ต้องขึ้นต่อการศึกษาถ้าการศึกษาย่อหย่อนไปพุทธศาสนาก็เลินลางแล้วก็เพี้ยนไปได้ง่ายเรื่องกรรมนี้เป็นตัวอย่างเมื่อเผยแผ่ไปในหมู่ชนจํานวนมากเข้ามากเข้าก็มีกาอาการที่เรียกกันว่าเกิดคาดเคลื่อนเฉะ ฉ, ะฉะ า, ย า, ยายไข้เขวอไป มีการปฏิบัติและการเข้าใจที่ผิดหลักกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อเห็นใช้กับเพื่อไม่ให้แบ่งคนโดยชาติกําเนิดแต่ให้แบ่งคนด้วยการกระทําด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นประการแรกเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมมุนนาวัสโลโหติกรรมมุนนาโหติพรมโนคนไม่ใช่ต่ํำสามเพราะชาติกําเนิด แต่จะเป็นคนต่ําซามก็เพราะกรรมคือการกระทำนะไม่ใช่วัดกันที่ชาติกําเนิดถ้าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าชาติกําเนิดใช่ไหมถ้เกิดเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นโูดเป็นจันทานก็ว่าไปคนไม่ได้เป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิดแต่เป็นพราหมณ์คือผู้บริสุทธิ์เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐก็เพราะกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาและความคิดแต่คนจะเป็นพระลรหันเนี่ยเพราะชาติกําเนิดด้วยเปล่า เป็นพฤติกรรมตามหลักการนี้พุทธศาสนาสอนการกระทําหรือความประพฤติว่เป็นเครื่องจําแนกมนุษย์ในแง่ของความประเสริฐและในแง่ของความเลวทรามไม่ได้แบ่งแยกโดยชาติกําเนิดโดยความมุ่งหมายในการเข้าใจหลักกรรมะเนี่ยก็คือประการที่2ก็คือว่าท่านเน้นคือการรับผิดชอบต่อตอนเองเมื่อตัวเองทําอะไรไปแล้วก็ต้องรับผลการกระทนะํานั้นใช่ไม่ใช่เมื่อเราทํากรรมทางกายทางวาจาหรือกระบวนการความคิดใดๆที่เป็นกุศล กุศลก็เกิดขึ้นตั้งแต่กระ บ, บวนการความคิดพฤติกรรมแล้วก็สภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมคุณก็ต้องเจออย่นีน้ถ้าคุณกระทําสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลงไปในกระ บ, บวนการความคิดือ ก, ก, การกระทําและคำพูดเนี่ยคุณก็จะได้รับผลดีแม้ขณนะตั้งแต่เริ่มกระทําไปเลยแล้วก็จะถึงสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมว่าไปเนี่ยมุ่งหมายเข้าใจในหลักกรรมประการที่2เน้นการรับผิดชอบตัวตนเองก็คือคนเรามักจะสัดทอดสิ่งภายนอกนะใช่ไหมใช่ เช่นเวลาเราเดินไปเตะกระถนเนี่ยเราโทษใครใครต้องวางไว้เป็นที่เป็นทางใช่ไหม <c oughs> ก็มันความรู้สึกเราเดียมากจะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> หรือบางทีที่ฉันเป็นอย่างนี้บางทีก็โทษพอ่อโทษแม่แล้วมักจะโทษไหมที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็โทษไอ้สิ่งแวดแล้อมแล้วก็มักจะโทษข้างนอกเหลักพุทธศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้น นั้นลกรรมในพุทธศาสนาแยกละทิที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกที่บอกว่าลัทิที่พระเจ้าตรัสว่าผิดหลักกรรมสามละทิละทิที่หนึ่งปุเพกตวาธะเนี่ยละทิกรรมเก่าพุทธศาสนานิกาชนฟังแล้วยุ่งแล้วไอ้เรื่องนี้นละทิกรรมเก่าเชื่อกรรมในดีสลัทิที่สองคืออิสระนิมานวาท คือลัทธิที่เชื่อเทพเจ้าดนบันดาลลัทธิที่สามวิหตุกาวาท้ก็คือเชื่อว่าไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่โชควาสนาลัทธิสามลัทธิเนี่ยพุทธศาสนาถือว่าไม่ได้ทําให้คนมีความเพียรพยายามในการเจกระทำเพราะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนได้รับหรือสุขทุกข์ทั้งหลายที่เราได้ประสบเป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลแล้วเราก็ต้องนอนรอแต่กรรมเก่าใช่ไหย เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ไม่ได้ผลจะแก้ไขอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เพราะแล้วจะ ก, กรรมในอดีตก็เลยแก้ไขปัจจุบันไม่ได้เนี่ยรัตีนอนรอผลหรือเชื่อพระอีศวรเชื่อเทพเจ้าก็อ้อนวอนอ้อนวอนหรือเชื่อไม่มีเหตุปจัจจัยก็เลยไปฝากไว้กับโชคชะตาวาสนาไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยผลที่สุด3หลักรัติเนี่ยทำให้คนมีการกระทํา ที่ไม่มีฉันทะทาให้คนขาดฉันทะหรือมีความเพียรพยายามในการกระทาเหตุต่างๆพระเจ้าเลยตรัสว่าวเป็นละที่ที่ผิดละที่ที่หนึ่งที่บอกว่าปุเพกะตาเหตัวท่าเนี่ยเชื่อกำเก่าเนี่ยเป็นละที่นิครณนินครณท่าในเทวทหสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมเก่าเป็นละที่นิครณละที่นิครณก็สอนหลักกรรมเหมือนกันนะแต่เป็นกรรมเก่ามีทั้งกรรมเก่ากรรมปัจจุบัน แต่พระเจ้าสอนว่ากรรมมีทั้งกรรมอดีตก็มีกรรมปัจจุบันก็มีกรรมในอนาคตก็ดีแต่ไปถือเพียงอดีตอย่างเดียวเนี่ยุย่งเลยเนีย่ไม่เข้าใจหลักการในคำสอนของพระเจ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนถ้าเรามองนี้ก็จะได้เห็นชัดขึ้นไหมพระพเจ้าเป็นกิริยาวาทะวิริยาวาทะแล้วก็กรรมวาทะพอมองเห็นหรือยัง สอนใหเรื่องให้เชื่อความเพียรพยายามเชื่อหลักกรรมการกระทําว่ามีผลยังไม่ใช่เอาไปฝากไว้ในกรรมแนดีดไม่ได้ไปฝากไว้กับเทพเจ้าไม่ได้ฝากว่าแล้วแต่ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าอย่างนี้เขาเรียกผิดหลักการในพุทธศาสนาทันทีสอนในมนุษย์เนี่ยเกิดความเชื่อในความชันทะเชื่อในความเพียรพยายามเชื่อในปัญญาเชื่อในความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่สามารถจะทําอะไรดลบันดาลอะไรให้เกิดขึ้นในชีวิตตนเองได้ โดยไม่ต้องไปพึ่งรอผลดลบรรดาลเลยนีสอนขนาดนั้นบางคนบอกอมันเป็นกรรมของเราก็เลยยอมจำนนกันไปที่ฉันต้องมาอยู่ตรงเนี้ก็เป็นก็ยอมชดใช้กรรมไปเคยไหมเคยคิดแบบนี้ไหมกระที่กรรมเก่าไม่ไม่ใช่ของพุทธศาสนาเวลาเราจะอธิบายความก็ดีหรืออธิบายเหตุผลในทางพุทศาสนาเราก็จะได้ไม่ไม่ติดขัด แล้วก็จะสามารถมองเห็นภาพโดยรวมแล้วก็องค์ความแยกแยะได้ชัดขึ้นเห็นลักษณะความสําคัญของพุทธศาสนาที่ชัดเลยนะลักษณะที่5เนี่ยก็คือเป็นลักษณะพุทธศาสนาเป็นวิพัชวาทะคำว่าวิภัชวาทะเนี่ยก็ยกในเรื่องของการสังยขยาาครั้งที่สซึ่งพระโมคคิีบุตริสาเทระเป็นประธานในครั้งนั้นพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระยาบิดินเป็นศาสนูประถมภพอุปถัมพุทธศาสนาเขาเรียกเอกอักษรศาสนูประถมภพเพราะฉะนันพระเจ้าโรกมหาราชเนี่ยได้ตรัสถามพระโมคคิลีบุตรติสาเทระบอกว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงมีวาทาอย่างไรและก็สอนอย่างไรพระโมคคิลีบุตรติสะเทระทูลตอบบอกว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชวาชี วิพัชชาทีเน 1, baskets, stroke, ี่ยม right. so cool ีลักษณะอย่างหนึ them, like ่งของคําสอนพุทธศาสนาที่ว่าโดยพระเจ้าเป็นวิพัชนาทีหรือเป็นวิภัชนาทะนั้นน่ยคืออะไรวิพัชนาหรือวิภัชนาทะก็คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยกแยะโดยการจําแนกด้วยการจําแนกโดยการแยกแยะก็หมายความว่าไม่มองความจริงเพียงด้านเดียวแต่มองความจริงแบบแยกแยะแบบจําแนกครบทุกแง่ครบทุกด้านมองรอบด้าน ไม่ดิ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งหลักการแสดงความจริงด้วยวิธีการจําแนกแยกแยะเนี่ยเรียกวิพัตชวาทะนี่เป็นความโน้มเอียงของมนุษย์ที่จะมองอะไรนะโดยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยเวลามองอะไรก็จะมองไปด้านเดียวพอเจออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็เหมาสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวเจอมั้ยอย่างยกตัวอย่างบางทีเราไปมองคนเนี่ยเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีคือเราไปเห็นก็ด้านเดียว ด้านดีที่เราจาได้นะแต่ไอ้ด้านที่ไม่ดีเรากลับมองไม่เห็นเราก็เลยไปเมาว่าคนคนนี้เป็นคนดีเป็นคนใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแต่พุทธศาสนาไม่ได้มองอย่างนั้นคือความจริงอย่างนั้นแต่ความจริงที่แท้ของสิ่งนั้นนะ่ะของสิ่งทั้งหลายมีหลายด้านจึงต้องมองให้ครบทุกแง่และครบทุกด้านฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีลักษณะจาแนกแยกแยะที่เรียกว่าวิพัชวาทะ วิพัชชาก็แปลว่าจำแนกแยกแยะพอจะเข้าใจตรงนี้นะทีนี้การจำแนกแยกแยะที่สําคัญก็คือในด้านของความจริงเช่นเวลาพูดถึงชีวิตของคนท่านก็จำแนกออกเป็นขันห้าโดยแยกออกเป็นรู ป, ปรธรรมและก็นมามธรรมในด้านของรู ป, ปรธรรมนะรู ป, ปรขันเป็นอย่างไรก็แยกแยะโดยเป็นมหาพุทรูปเป็นอุปาทายรูป เป็นนามธรรมก็เป็นแยกเป็นเวทนาซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาเป็นสัญญาเป็นจําในรูปจําในเสียงเป็นต้นเป็นสังขารเป็นวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจำแนกแยกแยะแยกออกเป็นรูปธรรมเปนนามธรรมก่อนแล้วก็แยกในบรรดาธรรมะนั่นออกไปเป็นขันเป็นขันห้าเป็นขันสี่แต่ละขันก็ยังแยกแยะแจกแจงอีกเยอะเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสังขาระขันเนี่ยโอ้โหเยอะเลย ายกเอาเวทนาขันออกสัญญาขันออกที่เหลือ50เนี่ยเป็นสังขารละขันเป็นทั้งสังขารละขันฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้โหจำแนกแยกแยะรายละเอียดแบบนี้เป็นต้นไม่ตีคลุมไปอย่างเดียวต้องมีต่างจากคนจำนวนมากที่มีลักษณะตีคลุมจับเอาแงใดแงหนึ่งก็เหมาคลุมไปทั้งหมดทำให้มีการผูกขาดความจริงโดยง่ายนะ แม้แต่ในการตอบคำถามบางประเภทก็ต้องมีลักษณะของการจำแนกแยกแยะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตีขุมลงไปด้านเดียวยกตัวอย่างเช่นมีบุคคลมาทูลถามพุทธเจ้าว่าเครือหันหรือชาวบ้านนั้นเป็นผู้ที่จะยังข้อปฏิบัติที่เป็นกุศลให้สำเร็จแต่บรรพชิตไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ใช่หรือไม่นี้ถ้าตอบแบบลงความเห็นข้างเดียวก็เรียกว่าเอกังสะ เอกังสวัตหรือเอกังสวัธาเนี่ยบอกว่าก็ต้องตอบดิ่งไปข้างหนึ่งโดยต้องปฏิเสธหรือว่ารับแต่ถ้ายอมรับก็บอกว่าใช่แล้วขณิกาตเท่านั้นทําสําเร็จบรรพชิตไม่สําเร็จถ้าปฏิเสธก็บอกไม่ใช่ขณิสาตไม่สาเร็จบรรพชิตก็เท่านั้นจะสำเร็จแต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระเจ้าตรัสแบบวิพัชวาธะทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ได้ตัดเอียงไปอย่างเดียวอย่างนั้นแล้วก็ตรัสว่าขณิกาตก็ตามบรรพชิตก็ตามถ้ามีสัมมาปฏิบัติแล้ว มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทํากุศลให้สําเร็จทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นเครหัส่าก็ตามถ้ามีมิจฉาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ผิดพลาดแล้วก็ทํากุศลและทําให้สําเร็จไม่ได้เลยทั้งสองฝ่ายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิพัชวาทะพอเข้าใจไหมอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์จะตรัสไหม ถ้าเป็นเราเราก็จะตอบอย่างอย่างไรว่าวาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นเนี่ยพระ อ, องค์จะตัดไหมเนี่ยถ้าสมมุติมีใครมาถามเราเช่นวาจาใดาที่พูดไปแล้วคนอื่นเขาไม่ชอบใจเราจะพูดไหมเราก็จะตอบไปแง่ใดแง่หนึ่งพูดบางไม่พูดบางใช่ไหมดิ่งลงไปข้างเดียวแต่พระเจ้าไม่ตัดอย่างนั้นพระ อ, องค์ตรัดบอกว่าเราไม่ตอบดิ่งไปข้างเดียวแล้วพระ อ, องค์ก็ตรัดแยกแยะให้ฟังว่าวาจาวาจาใดา ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกใจผู้ฟังพระองค์ไม่ตัดวาจานั้นวาจาใดเป็นคำจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกใจผู้ฟังพระองค์ก็ไม่ตรัดวาจานั้นวาจาใดเป็นคำจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยแต่ไม่ถูกใจผู้ฟังพระองค์ก็เลือกการที่จะตรัดวาจาใดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟังพระองค์ก็ไม่ตรัสวาจานั้นวาจาใดจริงไม่เป็นประโยชน์ถูกใจผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสวาจานั้นวาจาใดเป็นคําจริงเป็นคําที่เป็นประโยชน์แล้วถูกใจผู้ฟังพระองค์ก็เลือกการที่จะตรัสต้องดูการที่เหมาะด้วยนี่เขาถามเพียงคําถามเดียวแต่พระองค์แยกแยะ ตอบสักหอย่างเนี่ยเนี่ยถ้าพิจรารณาโดยอย่างนี้ก็เรียกว่าวิพัชชาวะทัไอ้ตรงนี้เป็นหลักการในกรณีที่เราจะต้องใช้ในการในชีวิตประจําวันของการเป็นนักบวชไม่ใช่ใครตอบอะไรปุ๊บหรือใครถามอะไรปุ๊บมหมาตอบทันทีเลยตอบใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่นีนี่เป็นตัวอย่างในการแสดงลักษณะท่าทีของการสนองตอบหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธที่มีการมองอย่างวิเคราะห์ มองอย่างแยกแยะมองอย่างจำแนกแจกแจงเพื่อหเห็นความจริงครบทุกแง่ทุกด้านไม่ผีผามต่อไปลงไปโดยด่ ว, ดวนในพิจารณาวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกถ้าอีกตัวอย่างหนึ่งนะในการแยกแยะประเภทเครื่องรือหาพระเจ้าตรัสเรื่องการมาโพคีสิบประเภทโอตรงนี้รายละเอียดเยอะเลยซึ่งการใช้ทรัพย์ที่บอกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตในให้เป็นสุข แล้วก็ไม่ใช้ไม่ใช้ทรัพย์นั้นทําประโยชน์ทําความดีทําสิ่งที่ดีงามไอ้อย่างเงี้ยหรือแสวงหาทรัพย์โดยชอบโดยไม่ชอบทำแต่เลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่ใช้ทรัพย์ทําประโยชน์ทําความดีเงีย้ยมันเสียกี Sign ่สว่วนดีกีส่ส่วนแยกแยะอย่างนี้หมดเลยแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําประโยชน์ทําความดีเ ส, สีย1ส่วนดี2ส่วนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นการตอบแบบแยกแยะไม่ใช่ตอบแบบ มมใดมมหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นในรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าดูเราจะเห็นลักษณะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิพัฒนาทาจริงๆพระพเจ้าทรงเป็นนักจําแนกแจ ก, กธรรมะเออจึงได้รับการเ ฉ, ฉ, ฉลิมพระ น, นามของพระพเจ้าบทหนึ่งว่าพักวาร์พรวาแปลว่าเป็นผู้จําแนกแจ ก, กแจงพระธรรมพักวาแปลได้2 อ, อย่างคือแปลว่าผู้มีโชคก็ได้แปลว่าผู้จําแนกแจ ก, กธรรมะก็ได้ นี่เป็นลักษณะแห่งวิพัชวาทะคือเป็นนักวิเคราะห์จำแนกแจกธรรมะแยกแยะให้เป็นให้ครบทุกแง่ทุกด้านตามความเป็นจริงเออเราก็จะได้เข้าใจว่านี่ลักษณะของพุทธศาสนาประการนี้ครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักแจกแจงแยกแยะวิเคราะห์ทีนี้เราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเดินตามท่า น, นถึงแม้เราอาจจะจำแนกแจกแจงได้ไม่ชัด แต่ก็ต้องเป็นนักแจกแจงได้ทุกแง่ทุกมุมได้เวลาเราจะไปพูดอะไรไปแสดงทัศนาอะไรเนี่ยก็จะต้องมองทุกแง่ทุกมุมแม้นักปฏิบัติเหมือนกันวเวลาจะปฏิบัติทั้งหลายอะไรเนี่ก็ต้องสังเกตทุกแง่ทุกมุมในสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ประดารรมทั้งหลายที่เรากําหนดหรือเรามรณะสิการหรือใส่ใจนั้นๆไม่ใช่เพลินๆซึมๆงงๆไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยก็จำแนกแจกแจงว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไงเป็นต้นหนอยเนี่ยนี่ลักษณะ นี้ลักษณะประการที่6พุทธศาสนาเนะี่ยมีคําว่าวิม <laughs> นะุตติเนี่ยหรือความมีอิสระก็ได้มุ่งอิสรภาพก็ได้เป็นจุดหมายที่สําคัญและไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายเท่านั้นแต่เป็นอิสรภาพเป็นหลักสําคัญเลยทีเดียวนะในทางธรรมะท่านใช้คําว่าวิมุตติรสมีรสที่เป็นความหลุดพ้นกับวิมุตติสาระคือมีสาระคือความหลุดพ้นนี่แหละหรือเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่แหละ สำหรับวิมุตติรสนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคําอุปมาว่ามหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตามแต่น้ําในมหาสมุทรที่มากมายทั้งหมดนั้นมีรสเดียวคือรสเข็มแม้ชั้นใดธรรมวินัยของพระตถ า, าคตของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนด้วยมากมายทั้งหมดก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสได้แก่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์และความหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะ ก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ยต้องเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อการดับกิเลสและกองทุกมีรถเดียวเท่านั้นคือวิมุติรถเหมือนทะเลจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรถเดียวคือรถเข็มแม้ชั้นใดคําสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พันพระธรรมขันมุ่งไปที่จุดหมายเดียวคือการหลุดพน้นจากกิเลสและกองทุกจึงเรียกว่าวิมุติรถ นะภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหลุดพ้นว่าเป็นอิสระภาพเดี๋ยวนี้เรามาใช้คําว่าวิมุตติรสมาติดคาว่าอิสระภาพแต่ที่จริงแล้วใช้คําว่าอิสรภาพในความหมายของวิมุตติรสนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้นะบางทีภาษาอังกฤษอาจจะใช้เป็นฟรีดอมก็ได้นั้นในภาษาไทยนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธศาสนานั้นมีลักษณะความหลุดพ้นก็คือความเป็นอิสระ อยู่โดยตลอดจุดมุ่งหมายพุทธศาสนาก็ได้แก่วิมุตติคือความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าวิมุตติสาราสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นสาระก็คือมีวิมุตติเป็นแก่นสารซึ่งมีความหมายอันเดียวกันรวมความว่าลักษณะนี้บอกให้ทราบว่าพุทธศาสนาถือเอาวิมุตติหรืออิสรภาพเนี่ยเป็นจุดหมายสูงสุดเป็นหลักการสําคัญและให้ความสําคัญแก่อิสรภาพของทุกขั้นตอน ไม่เฉพาะแต่ขั้นตอนท้ายๆ ท, ายที่ว่าการให้คนเข้าถึงความหลุดพ้นเท่านั้นแต่มีลักษณะการไม่ยึดติดไม่ถือมั่นไม่มีอุปาทานในสิ่งต่างๆตลอดเวลานะเช่นว่าไม่ยึดติดในรูปประคันใช่ไมไม่สำคัญว่ารูปประขันเป็นเราเวทนาขันเป็นของเราสัญญาขันสังขารขั น, ขนวิญญาณนันขันเป็นต้นเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเร า, เ ป, า, เ, ราเป็นต้นหรือหลักการพุทธศาสนาเวลาสอนแบบสรุปเนี่ย ทา่าเคยมีคำหนึงว่าคำว่าสัพเพธรรมานารังอพินิเวสายะก็คือให้รู้ให้เข้าใจความจริงว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ขันห้าอายตนะธาตุสิอินทรีย์ปฏิจจสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยขันอายตนะธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยไม่อาจไม่น่าไม่ควรยึดติดถือมั่นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนา คือความต้องการหรือความยึดมั่นของเราแต่มันเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถึงเราจะไปยึดมั่นก็ไม่มีผลอะไรต่อความจริงนั้นมีแต่จะกระทบกระเทือนตัวตัวเราเองทําให้เราแย่ลงหรือเดือดร้อนเป็นทุกข์เท่านั้นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นปุ๊บว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอาตาัตราตัวตนของเราขึ้นมาปุ๊บคนที่แย่คนที่ทุกข์คนที่เจ็บปวดมันกลายเป็นคนที่เข้าไปยึดนั่นเอง พระเจ้าก็เลยให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องรู้ความจริงของเหตุปัจจัยแล้วก็ทําที่เหตุปัจจัยนั้นถ้าเราปรารถนาจะให้ได้รับผลอย่างไรก็ทําให้ตรงตามเหตุปัจป จ, จัยนั้นๆเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยในทางที่ดีสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นสร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความโลภความโลภมันก็เกิด สร้างเหตุปัจจัยเกิดความโกรธความโกรธมันก็เกิดสร้างเหตุปัจจัยเกิดความหลงความหลงมันก็เกิดสร้างเหตุปัจจัยเกิดความไม่โลภความไม่โลภมันก็เกิดขึ้นในกระแสชีวิตสร้างเหตุปัจจัยความเมตตามันก็เกิดขึ้นในประในกระแสชีวิตสร้างเหตุปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นในกระแสชีวิตจะสร้างเหตุปัจจัยเกิดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นถ้าไปตัดเหตุปัจจัยของเขาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิด ไปสร้างเหตุปัจจัยเกิดนิวรณิวรณมันก็เกิดสร้างเหตุปัจจัยเกิดพ่อชงพ่อชงมันก็เกิดถ้าเหตุปัจจัยเกิดมรรคมรรคก็เกิดนี่เป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้ไม่อยู่ที่อยากหรือไม่อยากแต่อยู่ตรงที่ฉลาดในการให้เหตุปัจจัยของสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนี้เป็นต้น <c oughs> เห็นไหมถ้าเราทําตรงตามเหตุปัจจัย <c oughs> เหตุปัจจัยก <c oughs> ็เกิดขึ้นในพุทธศาสตร์นาจึงสอนให้เรามีอิสระภาพโดยฝึกตนให้รู้จักที่จะไม่เข้าไปยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งเมื่อรู้ความจริงรู้เท่าทันชัดเจจจนแ้ง ทั่วตลอดแล้วก็จะมีจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นวิมุตติรถแต่อย่า ง, างแท้จริงแม้แต่ในขั้นต้นๆสําหรับการปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นวิมุตตินะก็ยังมีลักษณะการไม่ยึดติดเสมอเช่นพระเจ้าเนี่ยนะพุทธศาสนาไม่ให้ความสําคัญบอกว่าไม่ให้ความสําคัญสูงสุดแก่ศรัทธาการบรรลุจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนากเข้าถึงอิสรภาพไม่ขึ้นต่อศรัทธาหรือความเชื่อแต่จะหลุดพ้นได้ เราะรู้เห็นแกล้งด้วยตนเองอันนี้เป็นลักษณะของการไม่ยึดติดคือว่าสูงสุดจริงๆก็ไปให้ความสําคัญที่ปัญญาการไม่ยึดติดไม่ได้อยู่ตรงที่ศรัทธานะแต่อยู่ตรงที่ปัญญาเมื่อทําปัญญาให้รู้ให้เข้าใจความจริงแล้วตัวปัญญาต่างหากจะเป็นคําตอบเริ่มตั้งแต่ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่รู้จักพึ่งพาบุคคลในทางที่ถูกต้องต้องพึ่งพาให้ถูกเช่นเจอการยานามิตรเนี่ยไม่ใช่ไปยึดติดแต่เราจะพึ่งพาการยานามิตร เพาเป็นปัจจัยต่อการทําให้เราได้โยนิีสมนักสิการอย่างไงเมื่อได้โยนิีสมนักสิการจะได้เป็นปัจจัยต่อปัญญาที่จะประชุมอริยมรรคเป็นต้นได้งไงเอาเขาเป็นสื่อในการที่จะนําเราให้เข้าถึงสัจธรรมด้วยการเป็นกัญยาณมิตรนี่ก็เลยว่าไม่ได้ติดที่ตัวบุคคลแต่เอาละเราเจอกัญยาณมิตรเนี่ยเราจะได้ประโยชน์และโดยการเอาเป็นสื่อเอาเป็นปัจจัยตัวโศสะปัจจัยหลายท่านคงเคยได้ยินว่าพระวักกะลีเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็พอใจในรูป ในพระรูปของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าชอบติดในพระองค์ในที่ต่างๆด้วยไปพระเจ้าคอยมองดูทรงรอให้อินทรีย์ของท่านแก่กล้าจนวันหนึ่งก็ตรัสว่าดูก่อนวักลิเธอจะตามดูทําไมกระร่างกายที่เปื่อยเน่านี้แล้วก็ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็คือให้ยา้ายจากความสนใจและความติดจากตัวบุคคลไปหาธรรมะคือจั จ, จัจะทำที่สุดจริงๆท่านก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้เนี่ย อันนี้เป็นลักษณะของการที่ไม่ยึดติดไม่ให้ยึดก็คือในสิ่งทั้งหลายแม้แต่ในระดับของการเป็นบัตรต้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายก็ให้มีอิสรภาพโดยสมบูรณ์เรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเยอะนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีวิมุตติเป็นสาระยังไงอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็จะได้เห็นความชัดเจนว่าเวลาเราศึกษาคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้มีจุดหมายที่ชัดใช่ไห นี่บอกว่าปราโมดปีติปัสสทติสุขสมาธิยถาภูดยา น, นัทสนะนิพิทาวิราค่าวิมุตมติเนี่ยนะเนี่ยวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นเลยจุดสูงสุดไปงั้นเลยเฮจากเนี่ยจากปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิหรือจักศีนเนี่ยศีลปัจจัยเกิดเป็นปัจ จ, กกจัยเกิดความไม่เดือดร้อนใจเรียกอาวิปัิสารเอาวิปัิสารความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปัจจัยกับปราโมดเป็นปีติอย่างอ่อนปราโมดก็เป็นปัจจัยกับปีติคือความอิ่มใจ ปิติก็เป็นปัจจัยเกิปัสถาคือความผ่อนคลายความผ่อนคลายเป็นปัจจัยเกิดสุขสมมานัตไม่เครียดนีสุขสมมานัตก็เป็นปัจจัยเกิสมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไล่ไปตามลําดับเป็นนิพพิทาวิราคาวิมุตตินีวิมุตติเป็นวิสุทธิเลยหลุดพ้นเลยเนี่ยนะนี่ลักษณะของวิมุตติรดทีนี้อีกอย่างหนึ่งลักษณะต่อไปก็คือเป็นศาสนาแห่งปัญญา พุทธศาสนาเนี่ยลักษณะของที่7เนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็คือว่ามีปัญญาเป็นยอดแห่งธรรมะเป็นธรรมะเป็นแกนกลางดังที่บอกปัญญุตราสเพธรรมะธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดอย่างยิ่งหรือมีปัญญาสูงสุดนั้นพุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็นธรรมะที่สูงสุดเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายในการที่เข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาแม้แต่พระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือพุทธก็คือหมายถึงการตัสรู้ด้วยปัญญาหรือมีปัญญาตัสรู้ธรรมะหรือตัสรู้สัจจสิกอย่างที่บอกไว้แล้วกี้วกาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่เป็นเน้นแค่ศรัทธาอย่างเดียวนะแต่เป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นเอาศรัทธาเป็นพื้นฐานพัฒนาไปถึงปัญญา ซึ่งบางทีเป็นจุดอ่อนและเป็นหลายคนก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของพุทธศาสนาเพราะเหตุที่ให้อิสระภาพทางปัญญาแก่คนมากเมื่อไม่มีการศึกษากันจริงจังก็ทําให้ชาวพุทธเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครอันนี้เป็นจุดเสียหายซะอีกดูง่ายๆในด้านข้อปฏิบัติในหมู่ชาวพุทธในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยจับไม่ค่อยได้ว่าชาวพุทธถือปฏิบัติอะไรกันบ้างจะเอาอะไรเป็นเครื่องกําหนดตัวเป็นชาวพุทธจะมองในเรื่องรูปธรรมก็หาไม่เห็น เพราะไปเอาแต่ปัญญาแต่แล้วไม่มีแต่ใครมีปัญญาพิจารณาจะเลือกปฏิบัติเท่าไหนก็ตามสมัครใจอันนี้บางทีก็เลยกลายเป็นไม่มีรูปแบบไปเลยเข้าใจใไหมเรื่องนี้ต่างจากในศาสนาอื่นส่วนมากเป็นศาสนาแห่งศรัทธาเขาบังคับเลยนะศาสนาอื่นก็บังคับเลยห้ามสงสัยไม่ต้องถามฉันบอกอย่างนี้เธอก็ทำตามเขามีแบบแผนที่กาหนดไว้ชัดเจนและมีข้อปฏิบัติที่ตายตัว ว่าจะเป็นศาสนิกของศาสนานั้นจะต้องเชื่อและต้องปฏิบัติตามอย่างนี้เท่านั้นห้ามสงสัยใดๆในตัวของศาสดาแต่ในพุทธศาสนาบอกว่าเออขอให้ซักยิ่งดียิ่งสงสัยยิ่งดีนี่เป็นจุดเด่นไอ้จุดเด่นของชาวไทยก็กลายเป็นจุดด้อยของชาวไทยเพราะชาวไทยไม่ชอบปัญญาพอไม่ชอบปัญญาก็เลยไม่รู้จะจับอะไรไปไปมาก็กลายเป็นมึนๆงงๆกันอยู่เนี่ยนะ ทีนี้พระธเจ้าเนี่ยได้ตรัสวางแบบแผนเขาไว้นะหนึ่งในร่างของธรรมวินยัยดังที่ได้กล่าวทีนี้ธรรมวินัยเป็นหลักถ้าปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงชาพศก็ไม่เป็นคนเลื่อนลอยแต่มีแบบแผนเป็นตัวของตัวเองชัดถ้าเรามองในเรื่องวินัยไปเสียเนี่ยนะถ้าอย่าไปมองข้ามบางคนไปมองข้ามวินยัยก็เลยกลายไม่มีแบบจึงขาดลักษณะมัวเที่ยวหาธรรมะแต่ไม่นำพาพระวินยัย ทุกวันนี้หลายๆคนก็ไม่เอาแล้วแบบแผนยุ่งยากเอาธรรมะเอาตัวเนื้อแท้เลยดีกว่าไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วนี่ขับเน้นที่ปัญญายุ่งเลยในี้เลยนี่ก็มองข้ามพระพุทธศาสนาไปเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ส่วนที่มีหลักว่าปัญญาเป็นสําคัญก็เพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนามนุษย์เรานเนี่ยนะมีประสบาการณ์ในเรื่องของาศาสนากันมาเป็นเวลายาวนานมีนักคิดมากมายเกิดขึ้น แล้วก็ค้นคว้าหาหลักความจริงมาสอนมนุษย์เกิดเป็นลทัทธิศาสนาต่างๆมากมายแยกแยะหลายเยอะมากศาสนาประเภทหนึ่งย้ําหรือขับเน้นเรื่องศรัทธาเขาบอกว่าให้ฝากชีวิตและมอบใจไว้ในองค์เทพสูงสุดแล้วก็ทําตามคําสอนไปไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิน้นอย่างเนี้เป็นศาสนาที่ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องตัดสินศรัาทธาเท่านั้นจะให้ท่านเข้าถึงจุดหมายของศาสนานั้นนี่ขับเน้นตัวนั้นเลยเนะ อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ถือศีลวัตเป็นตัวตัดสินพวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ที่วางไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นก็ถือบอกว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าถึงจุดหมายของาศาสนาได้ก็ได้ศีลวัตที่บอกว่าศีแลนะสุท ธ, ธิก็แปลว่าการบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลเพียงยึดถือศีลข้อบังคับระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเดียวเท่านั้นทําให้เคร่งครัดให้เข้ม ง, งวดเมื่อปฏิบัติไปตามนั้นได้จริงแล้วก็จะหลุดพ้น ถึงจุดหมายของศ า, ศาสนาได้เองอันนี้พุทธศาสนาเรียกว่าสีพรพตะปรารมาศก็คือเป็นหลักการศาสนาประเภทหนึ่งที่เขาถือกันในยุคนั้นศาสนาประเภทที่3ได้แก่พวกที่ยึดถือสมาธิเป็นตัวตัดสินแล้วก็บำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติทั้งจิตใจให้จิตดื่มดำ่ำจนกระทั่งเข้าถึงขั้นสุดท้ายจิตก็จะเข้ารวมกลื่นหายกลายเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุดซึ่งอาจจะเป็นเทพสูงสุดหรือเป็นปรามัตตมันอะไรก็ตามเนี่ย ศา ส, สนาประเภทนี้เป็นศาสนาขั้นที่ประนีตมากในยุคนั้นสรุปแล้วก็คือมีสามประเภทพวกปรงศรัทธาก็คือมอบจิตฝากไว้ให้ไปเลยพวกที่สองสีระวัตตัดสินด้วยความเคร่งครัดเข้มงวดพวกที่สามก็พวกเน้นสมาธิมุ่งจิตที่ดื่มดำ่ำเข้ารวมกับภาวะสูงสุดทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาตรงนี้ให้ชัดเราก็มองพุทธศาสนาไม่ไม่ออก ความพุทธศาสนาไม่ได้มองเด่นไปอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นพุทธศาสนาถือความสําคัญทั้งแก่ศรัทธาให้ความทั้งสำคัญทั้งแก่ศีล ว, วัดและแก่สมาธิถือว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการก็ถึงจุดหมายแต่ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินไม่ใช่เอาศรัทธาเอาศีลวัดรือตัวสมาธิเป็นตัวตัดสินอันนี้เป็นข้อที่ควรต้องระวังไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสจะไม่ให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นนะ ทั้งศรัทธาทั้งศีลวัตและทั้งสมาธิเป็นบาดฐานและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับศรัทธานั้นพระเจ้าเคยตรัสเลยว่าศรัทธายะตริตโอขังก็แปลว่าบุคคลจะข้ามโอค้าได้ด้วยศรัทธาคือจะข้ามกาโมค้าพระโวค้าทิโขค้าวิโชคะโอค้าคือวิชาเนี่ยจะข้ามโอค้าคือห่วงน้ําได้ด้วยศรัทธานะต้องมีความเชื่อมั่นเป็นฐาน แต่ไม่ใช่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวจะข้ามได้แต่ต้องมีศรัทธาเป็นฐานที่จะมีความกล้าหาญในการที่จะเดินออกจากกรมคุณที่จะสามารถกล้าที่จะเดินออกจากภพที่จะเดินออกจากทิฏฐิที่เรายึดถือไว้ที่จะเดินออกจากความหลงความโง่ได้ก็จะต้องมีความเชื่อมั่นคือมั่นใจในตถาคตพอที่ศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาถ้าพอมีความเชื่อมั่นในปัญญาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวตัวเชื่อมั่นในปัญญาก็เลยเอาศรัทธาไปรวมเป็นไป ไปจัดแล้วมีสมรตากับปัญญาพ่ามีความสมดุลกับปัญญาก็เลยมีปัญญานํามีศรัทธาตามไปไปมาๆก็เลยกลายเป็นข้ามโอคาได้แสดงว่าเราเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตแสดงพระเจ้ายอมรับว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ได้ด้วยศรัทธาที่ถ้ามองแบบพื้นผืนเราก็บอกว่าเอาแค่ศรัทธาก็พอจริงๆไม่ใช่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไม่ใช่เอาแค่ศรัทธา แต่อัศธาเป็นฐานในกรณีศีลก็สามารถอ้างบาลีได้ยกตัวอย่างเช่นสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนี่พุติงยันติเนี่ยออจะได้โพคาซั์จะได้สุขติและจะได้พระนิพพานก็เพราะศีลแต่ไม่ใช่ศีลอย่างเดียวนะนะยอมรับศีลแต่ขาดศีลเป็นปัจจัยไม่ใช่ศีลอย่างเดียวไปนิพพานนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ สำหรับสมาธินั้นเนี่ยมีสอนมากมายนะสมาธิพอที่เขาถึงนิพพานก็สามารถยกตัวอย่างนิพพานขั้นต้นๆได้กนิโรธเนี่ยยกตัวอย่างตัวฌานสมาบัติมีปฐมฌาน ท, ทาานตาานุติยฌานตัเรฌานเป็นต้นเขาเรียกวิขัมภนนิโรธก็คือฌานสมาบัติถือว่าเป็นวิขัมภนะนิโรธในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องแต่ทางคั น, นิพพานและนิธิถาธรรมนิพพาน พระเจ้ากรตราย บ, บอกว่าปฐมฌานก็ตามทุติยฌานก็ตามจนถึงกระทั่งเนวาสัญญาณนะสัญญายตนะซึ่งเป็นสมาธิในระดับที่ปราณีสูงขึ้นไปโดยระดับเนี้ยแต่ละอย่างเป็นนิพพานได้โดยปริยายนะตัดเป็นวิขัมภนะนิโรธดางั้นพุทธศาสนาให้ความสาคัญหลักธรรมเหล่านี้แต่พระองค์ย้าว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวตัดสินศรัทธาก็เพื่อปัญญา ศีลวัดก็เพื่อประคับประคองจนกระทั่งให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะศีลวัดนั้นช่วยเกิดสมาธิสมาธิก็นำไปสู่ปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเพียงแค่สมาธินำไปสู่ความดื่มดั่มทางด้านจิตใจเท่านั้นเป็นเรื่องของสมาถะก็จะไม่สามารถถึงวัณิกพานได้เข้าใจใไหมตกลงว่าจะต้องให้ถึงขั้นสูงสุดคือปัญญาอุปมาเหมือนกับการจะตัดต้นไม้เราก็ต้องมีอะไรบ้างเราต้องน้อมจิตไปเนีย จิตใจน้อมตัวเขาไปหาการตัดต้นไม้นั้นใจเอาด้วยกับการที่จะต้องตัดต้นไม้มุ่งไปที่ต้นไม้ประการที่2ต้องมีที่เหยียบยันถ้าตัวเราไม่มีที่ยันไม่มีที่ยืนเน่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้ประการ3ก็ต้องมีกําลังในการที่จะยกเม็ดยกขวานขึ้นตัดประการ4ี่ต้องมีมีดมีขวานที่คมเนี่เป็นอุปกรณ์ในการตัดในอุปมาเนี่ยการหันหน้ามุ่งไปหาสิ่งนั้นก็คือศรัทธา ศาคความเชื่อมั่นพื้นที่ดินที่เหยียบที่ยันเป็นต้นก็คือศีลเปรียบเสมือนพื้นแผ่นดินเป็นที่เหยียบยันทําให้เราทํางานได้ประการที่3มเรียวแรงกําลังของเราในการหยิบมีดหยิบขวานมาตัดนั้นก็คือสมาธิและสุดท้ายก็ต้องมีมีดคือขวานที่คมจึงจะนั่นก็คือปัญญางนี้เป็นต้นตัวที่ตัดที่ทําให้ขาดทําให้หลุดทําให้สําเร็จกิจก็คืออะไรก็คือมีดหรือขวานมีดขวานเป็นตัวตัดทําให้งานสําเร็จ ถึงจุดหมายได้แต่ถ้าเราไม่มีสมอย่างแรกนะเราไม่มีสมอย่างแรกทั้งที่มีมีดและขวานเป็นต้นก็ตัดไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้น3มอย่างแรกก็ขาดไม่ได้แต่ตัวตัดสินอันที่4ก็ได้เก็บปัญญาใช่ไหมตัวศรัทธาก็ดีตัวศีลก็ดีตัวสมาธิก็ดีขาดไม่ได้นะถึงแม้สําคัญที่สุดทปัญญาแต่ปัญญาต้องยืนอยู่บนสมาธิ สมาธิก็ต้องยืนอยู่บนศีลศีลก็ต้องมีศรัทธาเป็นฐานนั้นพระเจ้าสอนบอกว่าปัญญาเป็นตัวตัดสินจึงถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมที่สําคัญเป็นเอกปัญญาก็เป็นขั้นสูงสุดปัญญาในขั้นที่จะทํางานนี่รู้เท่าทันสัจธรรมก็คือที่จะต้องตัดสังยอดคือเครื่องผูกผูกกระแสชีวิตหรือผูกสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏหรือติดในวัฏจักรสงสารผูกกระแสชีวิตด้วยกับวัฏทุก์ ก็ได้แก่ปัญญาเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าวิปัสนาปัญญาก็คือปัญญาที่ไปตัดสังโยชน์คือเครื่องผูกเหล่านี้แหละวิปัสนาหรือปัญญาก็อันเดียวกันแต่ปัญญาในระดับหนึ่งประเภทหนึ่งก็ทําหน้าที่อย่างหนึ่งที่เรียกชื่อเฉพาะเป็นวิปัสนาปัญญาก็เป็นปัญญาที่เป็นตัวตัดกิเลสได้อย่างแท้จริงวิปัสนาปัญญาก็เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปัญญาโดยเฉพาะที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาเป็นลักษณะพิเศษของพุทธศาสนามีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น ปัญญานี้เป็นแกนกลางที่ร้อยประสานอยู่ในหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าตรัสไว้ในที่ต่างๆอย่างเช่นหลักการทั่วไปที่ตรัสในคาถาที่บอกว่าบหุงเวสารนังยันติเหรอสัพพะสัพพตานิวนานิจะเคยได้ยินไหมอาจารย์สวดบ่อยบหุงเวสารนังยันติ สัพตานิวานิจจาอารามะโรคะเจตยาณีมนุสสพยตัชิตาเนตังโคสาระนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณมากัมมะสับดุขาปโมจติโยจะบุตทันจะธรรมันจะสังขัญจะสาระนังกโต จตาริอาริยสัจญานีสมปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสมุปปัังทุขษาจติกมังอริยจตัังหิกังมะขังทุโคปสัมมาคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสรณมากามัง ซาบาโดคามุจติเนี่ยในคาถาเนี้ยบอกว่าคนทั้งหลายถูกภัยคือความกลัวมหมนตภัยคือชาชราพยาที่มรณะเป็นต้นเบียดเบียนคุกคาบแล้วก็หาต้นไม้บ้างภูเขาป่าไม้รุ ก, กเจดีพระยินว่าพรมเป็นสารณนะ พระเจ้ว่านั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเมื่อสัตว์เหล่านั้นอาศัยสาระเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตทุกเป็นต้นไดน้ส่วนบุคคลใดถึงพระรัตนตรจ ย, ยึดเอาพระพุทธเจ้าวิธธรรมประสงค์เป็นสาระศึกษาฝึกฝนพัฒนาจนสามารถทําญาณปัญญาให้เกิดขึ้นจนเห็นอริยสัจสี่ก็คือเห็นทุกข ด้วยการกําหนดรู้ทุกขสมุทยัยด้วยการละทุกขานิโรธ ด, ด้วยการทําให้ประจักแจ้งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาด้วยการเจริญด้วยการอบรมทําให้มีทําให้เกิดขึ้นจนสามารถแทงตลอดสัจจะธรรมทั้งสี่ด้ยปัญญามีปัญญารู้เข้าใจในสัจธรรมรู้จักทุกข์รู้ตัวปัญหารู้เหตุที้เกิดทุกข์รู้เหตุของปัญหารู้จุดหมายของตนเองที่เป็นความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติตามมรรคคาที่ถูกต้องซึ่งเป็นทางสายกลางดับทุกข์ได้ อันนั้นจึงจะเป็นสารณะที่แท้จริงเป็นสารณะที่เกษีเป็นสารณะที่สูงสุดเรื่องพุทธะพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะเนี้ยมีความหมายที่ชัดเจนเนะว่าการถึงพระรัตนตรัยจะได้นาสู่การเห็นอริยสัจสี่เนียนในรายละเอียดมันเยอะนี่จะได้มองเห็นชัดว่าเห็นไหมพุทธศาสนาสอนอะไรสูงสุดปัญญาปัญญาสูงสุด สอนในเรื่องของเป็นศาสนาให้ปัญญาต้องมีปัญญาเท่านั้นยึงจะแทงแตลอดสัจจะสแต่ต้องมีศรัทธาที่เปเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเมื่อเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยพระรัตนตรัยคือพุทธธรรมสังขาก็เป็นหลักนําพากระแสชีวิตให้มองเห็นความจริงของชีวิตจนสามารถทำปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่เป็นต้นได้มองเห็นหรือยังอภรการต่อมาคือว่าลักษณะที่8ลักษณะที่8ของพุทธศาสนา ก็คือประกาศหลักสำคัญที่เกี่ยวความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือของสภาวธรรมต่างๆเรียกว่าหลักอนัตตาหลักอนัตตานี้เป็นหลักที่ใหม่ไม่เคยมีผู้ค้นพบมาก่อนเพราะความยึดติดในอัตตาในตัวตนเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกแนบแน่นในจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมากในสากลจักรวาลมนุษย์ก็มีอัตตามนุษย์จะรักษาห่วงแหนความรู้สึกผูกพันในอัตตานี้ไว อย่างเหนียวแน่นเท่าที่จะทำได้เนี่ยหลายๆคนก็ยึดบางคนก็ไปยึดในรูปว่าเป็นอัตราตัวตนส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยึดมากบางคนก็ยึดความรู้สึกสุขทุกข์น่ว่าเป็นอัตราตัวตนเราบางคนก็ยึดเอาความจำานว่าเป็นอัตราเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นผู้จำ บางคนก็ไปยึดเอาตัวความสุขความทุกข์ความสึกปุงแต่งทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปบางคนก็ไปยึดเอาความโง่ความฉลาดนั้นตัวเองนั่นแหละเป็นอัตตาตัวตนบางคนไปยึดในสิ่งที่ตนเองเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถเป็นต้นอะไรเนี่ยนะเป็นอัตตาเป็นตัวตนฉะนั้นมันจึงฝังรากลึกมากในชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยอตัตตาเนี่ยลักษณะมนุษย์เราก็หวงแหนความสึกผูกพันในอัตตาอย่างเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ แม้แต่เมื่อหันมาค้นคว้าสัจธรรมในทางพระศาสนาเขาจะต้องเพียนพยายามที่รักษาอัตาน้ไวให้ได้เพราะฉะนั้นนักคิดทั้งหลายก็พัฒนาภาพอัตตาที่ยึดไว้นั่นแหละให้ปานียิ่งขึ้นไปโดยลำดับจะเห็นว่าในศาสนาต่างๆมีคำสอนที่ใพยายามเข้าหาอัตตาแล้วก็ให้ถึงอัตตาปรากฏว่ามีศาสนาเดียวนยคือพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องอนัตตา ที่ประกาศว่าในที่สุดแล้วสิ่งทั้งหลายไม่ใช่อัตตาไม่สามารถยึดถือเป็นอัตตาได้พระตถาคธอาจารย์ก็บอกว่ า, าศาสดาต่างๆในหลายๆาศาสนารู้จักอนิจจังแล้วรู้จักทุกขังแล้วเพราะฉะนั้นหลักอนิจจังหลักทุกขังจึงไม่มีในาศาสนาอื่นเอจึงมีในาศาสนาอื่นนะที่มีความก้าวหน้าในทางสติปัญญาด้วยแต่ไม่มีาศาสนาใดหรือาศาสนาอื่นใดที่ประกาศหลักอนัตตา ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นหลักคําสอนเดียวที่ทวนกระแสย้อนทางของจิตใจสลายความยึดติดขวงแหนของมนุษย์เลยนะสอนอนัตตาเลยเนี่ยไม่มีอัตตาที่แท้จริงมนุษย์ไปสําคัญว่ามีอัตตามีตัวมีตนแท้จริงอัตตาไม่มีการที่จะมองเห็นสภาวะที่เป็นอนัตตาเนี่ยบ่งบอกถึงการที่ต้องมีอะไรต้องมีปัญญา ก็คือมีการมีปัญญาที่รู้เท่าทันคติธรรมดาเห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันมันอยู่ตามสภาวะไม่มีใครที่จะไปเป็นเจ้าของไม่มีใครที่ไปสั่งบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมไม่ว่าจะเป็นนามรธรรมแม้กระทั่งพระนิพพานก็เป็นอนัตตาที่เห็นได้ง่ายก็คือสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปที่เรียกว่าสังขารหรือขันห้านี่แหละรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามธรรมดาของมันคือมันเป็นไปตามมันไม่ได้เป็นไปตามใจชอบตามใจอยากของใครแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรรูปขันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นลักษณะอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในขันห้า ไม่มีตัวที่คงที่ที่เป็นตัวคอยบันดาลเป็นตัวบังคับสิ่งตั้งหลายให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันประกอบขึ้นจากปัจจัยย่อยๆก็คือมาประมวลกันเข้าและปัจจัยต่างๆแต่ละอย่างนั้นอาศัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้นไม่มีสิ่งโดยรำพังตัวของมันเองไม่มีใครหรืออะไรจะมาเป็นเจ้าของครอบครองหรือสั่งบังคับบัญชามันได้นื นี่คือหลักความจริงที่เรียกว่าอนัตตาในระดับของสังขารทั่วไปทีนี้การไม่ยึดติดในอัตตาจึงไปสัมพันธ์กับหลักที่ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นด้วยความปรารถนาของตัวตนแต่ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเราจะให้เป็นไปอย่างนั้นตามความปรารถนาไม่ได้คือเราจะเอาความปรารถนาของตัวตนเนี่ยไปบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะาสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมัน คือดำรงอยู่ตามสภาวะอย่างนั้นหรือไม่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งเราจะต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้เหตุปัจจัยของมันแล้วก็ทําไปแก้ที่ไปแก้ที่ไหนแก้ที่เหตุปัจจัยหรือทําตามเหตุปัจจัยนั้นนันมันถึงจะได้ผลตามเหตุปัจจัยนั้นอนัตตาจึงไปโยงกับหลักสําคัญของพุทธศาสนาเนก็คือว่าพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องการทําลายความเห็นผิดที่เกี่ยวกับอัตานี้มากมายเป็นพระโสดาบันก็ต้องทำลายสักยะทิฏฐิ คือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนให้ได้ต้องถอนอัตตานุทิธิการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนให้ได้ต้องถอนอัตวาธุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนให้ได้เนี่ยอันนี้แสดงหลักอนัตตามีความสําคัญอย่างมากเป็นหลักการที่นําเข้าไปถึงจุดหมายของพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนาจะต้องมีปัญญาถึงขั้นเห็นความเป็นอนัตตนี่แหละแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะมองถึงขั้นอนัตตาได้เนี่ยก็ยังไม่เข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนา ยากไหมยากยังไงอัตตามีอยู่จริงรึเปล่ามีอยู่จริงไหมมันสมมติขึ้นใช่ไหยสมมติขึ้นสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันสมมติขึ้นมันมีอยู่จริงที่ไหนล่ะ นี่มันติดสมมุติกันหลากหลายสมมุติหนาแน่นสมมุติอย่างมากมายไปไมาก็เลยสําคัญว่ามีตัวอัตราเป็นแก่นเป็นแกนกลางคอยคอนโทรคอยบังคับอยู่มันนิดก็เลยเป็นสำคัญว่ามันมีอยู่จริงๆมันไม่มีมันประดาทำทั้งหลายที่มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นทุกอย่างเกิดแต่เหตุปรปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หมดนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่เรา ถูกสอนกันมาให้ยึดอัตราตัวตนกันมาตลอดมันก็เลยฝังแน่นเลยลึกเลยทีนี้นี่จะเห็นตามความป็จริงได้ก็ต้องวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นนะจากการเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วก็มองเดินวิปัสนาญาณก็จะเห็นอารักษณะที่9มองมองตามเหตุปัจจัยพุทธศาสนามีลักษณะ ต่อไปที่คล้ายกับหลักอนัตตก็คือการมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามสัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัยเหตุงนี้อัชัดก็คือหลักอนัตตาในระดับของสังกัตธรรมก็คือยงหาหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งกระบ่งชี้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยลาพังนะแต่ต้องอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอัญญาบัญญะอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอุปนิปัจจัยเยอะ ก็จะเป็นเหตุตัปัจจัยอารามนาปัจจัยอธิปติปัจจัยอูโ้โหเยอะมากเลยเนะี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยคล้ายๆกับหลักสัมพัทภาพนี่แหละในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลักอย่างหนึ่งที่เรียกอิทัาปัจียตาที่เรีเรยกว่าปฏิจสมบัติเนี่ยความสัมพันธ์หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่เป็นหลักสําคัญของวิปัสสนาญาณเดิมการปฏิบัติให้ปัญญาเห็นแจ้งเกิดเป็นวิปัสสนานั้นก็จะต้องมอง ถ้าไม่มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้และหลักปฏิจจุบันบาตหลักอิทธิปจยตานี่ยก็เป็นภูมิธรรมของวิปัสนาญาณเรียกวิปัสนาภูมิอย่างหนึ่งด้วยคนที่จะเดินวิปัสนาญาณก็จะต้องมาเห็นตรงนี้แหละเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเห็นอนัตตนิ่ชัดนะทำทั้งหลายทั้งวงมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นขันห้าเนี่ยเมื่อวิเคราะอแยกแยะองค์ประกอบต่างๆก็ทําให้เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะว่าขันห้าเป็นไปตามเหตุของอิทธิปยต จะตายยังไงเนี่ยเหลักความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละเป็นหลักที่แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาถึงพระเจ้าตรัสบอกว่าการเห็นปฏิเจริญบาทนี่แหละคือการเห็นธรรมพระโพธพธผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนการมองปุ๊บเนี่ย โอ้โหมีเหตุปัจจัยเยอะเลยต้องอาศัยอาศัยตาคือมีจักรคุปสศตาศาศอาศัยสีคือรูปารมณ์เหไหมอาศัยแสงสว่างนี่อาศัยจักขคูวิญญาณประชุมกันแล้วเป็นผัสสะเนเมื่อกระทบกันสัมพันธ์กันหรือกระทบกันแล้วก็กลายเป็นปัจจัยเกิด อยคุยอินญาณยังไงเป็นต้นโอ้มีความสัมพันธ์แต่เราจะเข้าไปเห็นปัจจัยเหล่านั้นความสัมพันธ์ต่างๆทั้งหลายเกิดเนี่ในชาวพุ๊บก็จะต้องมีทัศนคติที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแม้แต่เรื่องกรรมก็สอนให้มีทัศนคติในท่าทีที่ถูกต้องกรรมนั้นก็คือหลักที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในแง่ที่เกี่ยวกับการกระทําของมนุษย์ การกระทําของมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันคือกระทำไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมก็เกิดผลอย่างนี้แต่จํากัดเฉพาะในแง่ของการทําของมนุษย์เรียกว่าหลักกรรมหรือกรรมมณียามเนี่ยถ้าหลักเหตุปัจจ <tr uss ians> ัยทั่วๆไปก็เรียกเป็นธรรมมณยามโอู่เยอะเลยนี่หลักไตรลักษณ์เลยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่นะความเป็นไปธรรมดาของเหตุปัจจัยทั้งหลายเป็นต้นเรานี้ยนั้นถ้ามองสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมองมองได้หลายด้านมองได้ ความโลภจะเกิดขึ้นก็มีเหตุปัจจัยความโลภจะหมดไปก็เพราะหมดไปที่ว่าเหตุปัจจัยของความโลภมันหมดใช่ไหมพอหมดเหตุปัจจัยของความโลภหมดมันก็หมดนี่เป็นต้นเหมือนกรณีอย่างการที่ทุกข์สมุทัยนิโรธมร์เนี่ยสอนเรื่องเหตุปัจจัยดูทุกเป็นผลนแล้วก็สมุทัยเป็นเหตุนิโรธเนี่ยก็เป็นผลมร์ ก, ก็เป็นเหตุแต่มันต่างกันนะทุกเนี่ย มันเป็นผลของสมุทยัยก็หมายความว่าสมุทัยเนี่ยเป็นตัวสร้างทุกข์เลยสร้างเหตุของทุกข์เลยส่วนนิโรธเนี่ยเป็นผลของมรรคในฐานะไม่ยึดมรรคทาให้เกิดขึ้นนะแต่มรรคนั้นเป็นทางดําเนินให้ถึงเป็นเป็นเหตุที่ทําให้ถึงแต่ไม่จะเป็นเหตุที่ทําให้นิโรธเกิดเพราะนิโรธมีมันอยู่แล้วแต่สมุทัยเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดอย่างนี้เป็นต้น อั น, นี้ก็ต้องมองให้ชัดในลังเหตุปัจจัยนี่โอ้โหต้องอาศัยเวลาเรียนเยอะมากถ้าเรียนเรื่องปฏิจจะอย่างเดียวโอ้โหต้องใช้เวลานา น, านเหตุปัจจัยล้วนๆอ่ะประการต่อมาเนี่ยเอาประการสุดท้ายตรงนี้ไปก่อนอาลักษณะที่10บมันจะมืดลักษณะที่สิแห่งพุทธศาสนาก็คือเชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกผลวัฒนานี่สำคัญเลยนี่นะ ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ศักยภาพเนี่ยเป็นศัพท์สมัยใหม่ที่ยืมมาใช้เดิมทีเดียวพูเรามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้พุทธศาสนายอมรับความสําคัญของของมนุษย์ว่ามีภาวะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และฝึกได้จนถึงขั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดนี่นะมองอีกแง่หนึ่งก็มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและจะจะประเสริฐสูงสุดได้ด้วยการฝึก มนุษย์จึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝึกซึ่งหมายถึงการพัฒนาตนเองโดยนีพัฒนาหรือภาวนาในศั์เดียวกันถ้ามนุษย์เนี่ยไม่พัฒนาตนหรือไม่ฝึกตนเองแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่ต่ำซามที่สุดเลยแย่ที่สุดแพ้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานในด้านของสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานปุ๊บพอเกิดขึ้นมาแล้วแป๊บนิดเดียวแค่นั้นแหะรู้จักเป็นอยู่ได้เป็ดนี่ยออกจากไข่ปุ๊บไปไปได้แล้วใช่ไหมล่ะ หรือว่างูอะไรเนี่ยพอปุ๊บออกจากไข่ปุ๊บมันเดินได้เลย <c oughs> วงนเนี่นะคลอดออกมาปุ๊บมันเดินโซเซโซเ ซ, ซ, เซแป๊บเดียวครับมันเดินได้หนักเข้าหนักเข้าหากินอาศัยแม่แป๊บเดียวไปได้แล้วสัญชาตญาณมันเร็วส่ว <c oughs> นมนุษย์ไม่ได้เรื่องเลยทําไม่ได้สักอย่างถ้าปล่อยไปตายทันดีเลยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ฝึกก็ตายเลยนะนี่ต้องอาศัยเลี้ยงดูฝึกสอนโอ้โหกว่าจะเติบโตวางที่20บยังแทบจะไปไม่รอด นมนุษย์มีศักยาภาพที่จะพัฒนาตนเองได้เมื่อพัฒนาแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสูงสุดสัตว์อื่นนั้นพัฒนาได้แต่อย่างเก่งก็เป็นแค่ละครตรัสนั่นเองได้แค่นั้นละครลิงละครสัตว์มาให้มนุษย์ใช้งานอีกแต่อีกทีห น, นึ่งฉะนั้นแต่มนุษย์ เ, ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าบอกว่าทันโตเศโมนุษย์เสสุ ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดในหมู่มนุษย์และวิชาจารณาสัมปันโนโสโเศโถเทวมนุษย์ผู้ที่ถึงพร้อมในวิชาและจารณะคือฝึกดีแล้วประเสริฐสูงสุดในหมู่เทพและบรรดามนุษย์ไม่เฉพาะระหว่างมนุษย์เท่านั้นแม้แต่เทพทั้งหลายมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วก็ยังสูงกว่าเทวดาด้วยใช่ไอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลาย พระเจ้าเนี่ยโหเขฝึกแล้วสูงกว่าเทพอีกนอกจากสูงกว่ามนุษย์ด้วยกันเองไม่พอสูงกว่าเทพอีกเนี่ยมนุษย์พอฝึกเป็นแล้วเนี่ยแม้แต่เทวดาและพรหมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ยังหันมากราบมนุษย์นั่นแหละ เ, เทพและพรหมทั้งหลายยังหันมากราบมนุษย์เลยที่ฝึกตนเองแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> นี่พุทธศาสนาสอนมนุษย์ที่เป็นศัตว์ที่ฝึกได้เลยที่บอกว่า มนุษสภูตังสามพุทธังอัตตะทันตังสมาหิตังเทวาปินมสัสสติบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ฝึกพระองค์อย่างดีอย่างยอดเยี่ยมแล้วแม้เทพและพรหมทั้งหลายก็น้อมนมสัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเห็นชัดไหมมนุษย์เนฝึกแล้วสูงสุดจริงๆริงไหน่าฝึกไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าฝึกแล้วสูงสุดจริงๆ บุคคลที่ฝึกตนเองดีแล้วพัฒนาศักยภาพดีแล้วเนี่ยแม้แต่เทวดาและพรหมก็บูชานี่พระเจ้าก็ทำได้ทรงทำกิจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการประกาศอิสระภาพของมนุษย์ในสมัยครัุ้โบกาณเนี่ยมนุษย์ก็พากันฝากชีวิตและก็ชะตากรรมไว้กับเทพเจ้าวางไว้กับพระพรหมบ้างถือว่าเทพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บรันรดาลชะตากรรมของมนุษย์มนุษย์มีหน้าที่บวงสรวงอ้อนวอน ทำการสังเวยร้องอะไรเแม้ปู่ตายายยายเราก็เป็นใช่หัหยอ้อนวอนได้สรารภาพหมดแหละขอร้องไอ้เทพยกเว้นปลดเปลื้องในพ้นจากโทษจากเคราะห์ขอให้อำนวยลาผลให้ประทานรางวัลสิ่งที่ต้องการจนถึงมีการบูชายันอมนุษย์เอาสัตว์มาฆ่าบูชาเทพเาจาพอพระเจ้ า, พพาประสูตรพระองค์ก็ประกาศอิสระภาพเลยบอกอโคหมัสมิโลกาสะ เ ท, ทโอมัสมีโลกาสาเศธเ ท, ทโอมัสมีโลกาสายะมันติมาชาตินติทานิปุนาภูเราเป็นพี่ใหญ่เราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้เลิศอนแผงโลกเอาเลยสิทีนี้ประกาศอิสรภาพเลยนี่คือวาจาประกาศอิสรภาพของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศแทนมนุษย์ทั้งหลายบอกให้รู้ว่าต่อไปนี้มนุษย์มีอิสรภาพแล้วเป็นใหญ่แล้วธรรมนุษย์เนี่ยบอกธรรมะต่างหากสูงสุดไม่ใช่เทพสูงสุด มนุษย์ฝึกไปตามศีลสมาธิปัญญาฝึกตามธรรมะมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สูงสุดไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับพรหมไม่ต้องเอาไปอาชีวิตไปฝากไว้กับเทพไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับเทพเจ้าองค์รรใดองค์หนึ่ง <c oughs> พอเข้าถึงธรรมะแล้วมนุษย์กลายเป็นสูงสุดไหมพะแม้แต่เทพแล้วพรหมมือหันมากล่าบมานอบน้อมมนุษย์นึงโอ้โหประกาศขนาดนัด้นเห็นไหมพอประสูตรปุ๊บนี่ประกาศอิสระภาพเลยแต่เราก็ไม่เคยคิดกันเลยพระเจ้าประกาศขนาดนั้น แต่เรายังติดแงกเลยไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้ก็มัวยอมจำนนกันอยู่นี่แหละใช่ไหมยอมจำนนกับดวงดาวบ้างยอมจำนนกับเทพเจ้าบ้างยอมจำเนนกับพี่อินว่าผมบ้างพ ร, พระเจ้าบอกว่าบอกให้รู้ว่าต่อไปนี้มนุษย์มีอิสรภาพแล้วเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ไม่ต้องฝากชะตากรรมไว้กับเทพเจ้า ไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอให้เทวดามาโปรดปรานช <c oughs> ัดเลยใช่ไหมจริงไม่จริ ง, รงถ้าเราฝึกตนเองแม้แต่เทวริษมนุษย์ก็มีได้ฤทธิ์เนี่ยมนุษย์มีได้มนุษย์ที่ฝึกแล้วมีมนุษย์สิริฤทธิ์ที่ประเสริฐหรือเทวริษเพราะฉะนั้นอย่าไปได้ประมาทศักยภาพความของตนเองมนุษย์ได้ฝึกแล้วให้มีฤทธิ์ก็ได้มี มนุษย์มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งก็คือคอยจะประมาทในศักยภาพของตนเองจึงมัวหวังพึ่งปัจจัยภายนอกไอ ต, ตรงนี้ต้องระวังพระเจ้าทรงนำทางไว้แล้วให้เรานับถือต่อตนเองแต่อย่ายิ่งลำพองนะให้นึกว่าเราเป็นมนุษย์ประเสริฐแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ต้องระลึกว่าจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเสมอ การที่ถือว่าตนเองเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาทําให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพระเจ้าสอนให้ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาแต่เวลาเดียวกันพร้อมกับความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะมีความมั่นใจในตนเองว่าเรามีศักยภาพที่พัฒนาได้ไม่ใช่เป็นมานนะฮะเยอยิงยกตนนี่คือหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้า ทรงประทานไว้แล้วอันเป็นไปตามสัจธรรมเราจะต้องยึดหลักนี้ไว้เป็นประการสําคัญและพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ามนุษย์เนี่ยพอเริ่มต้นด้วยชาวพุทธก็ต้องมีโพธิสัทาเรียกเต็มๆว่าตถาคตโพธิสัทธานนี่แหละเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพวัตถาคตก็คือเชื่อในปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพัฒนาปัญญาของเราสิใช่ไหมต้องเชื่อปมนุษย์เนี่ย ก็คือเชื่อปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้อ๋อพราพัฒนาปัญญาพัฒนาสมาธิพัฒนาศีนี่แหละจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเชื่อปัญญาว่าเออเราจะต้องพัฒนาถ้าเราพัฒนาปัญญาแล้วเราก็เป็นพระพุทธเจ้าได้พัฒนาปัญญาแล้วเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้พัฒนาปัญญาแล้วเป็นสาวกได้เป็นต้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่นแล้วบําเพ็ญพุทธกิจประกาศาศาสนาด้วยก็เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ แต่ถ้าเป็นพุทธเจ้าด้วยปัญญาคนพจนสัจธรรมด้วยตนเองก็เป็นปัจเจกพุท ธ, ธะถ้าเป็นพระเจ้าตามอย่างพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นอนุพุท ธ, ธะแม้เป็นพุท ธ, ธเจ้าดาัแม้แต่ยังไม่เป็นพุทธเจ้านี่แหละที่ตัดกิเลสได้สิ้นเชิงแต่ก็มีความรู้ท่านก็ยกย่องให้เป็นสุตตพุท ธ, ธะเลยเนีเราทุกคนสามารถเป็นพุท ธ, ธะได้แต่ขั้นแรกจะต้องมีตถาคตโพธิสัตวาก็คือเชื่อ <c oughs> ในปัญญาตัดสรุปที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะนั้นเน่พยพระเจ้าตรัสว่า น, นี่เป็นศรัทธาเบื้องแรกที่ชาวพุทธจะต้องมีเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องเริ่มด้วยการเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาได้สาระสําคัญของศักยภาพคือปัญญาเั้นปัญญาในสามารถพัฒนาได้จนกระทั่งตัดสรุปเป็นพุทธะได้ซึ่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแม้แต่ทวยเทพและประดามนุษย์ทั้งหลายก็ต้องบูชาศรัทธาเทวมนุษย์สานัง คือพระเจ้านั้นทั้งที่เป็นมนุษย์แต่ทรงเป็นศาสดาทั้งของหมู่มนุษย์และของเทวดาทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายก็ต้องจําหลักการนี้ไว้ระลึกตระหนักว่ามนุษย์อย่าดูถูกตนเองต้องมั่นใจในตนเองต้องนับถือตอนเองอย่างมีความอ่อนน้อมทอ่อมตนอันนี้คือหลักของพุทธศาสส์นาเชื่อศักยภาพสูงสุดว่ามนุษย์นี่สามารถที่จะฝึกได้เราเชื่อตรงนี้ไหมตรงเนี้ยหลักการตรงเนี้ยสาคัญ อะไรสมควรแก่เวลาเดี๋ยวไปไหว้ตนพระศรีมหาโพธิ์รือไปบูชาพระเจ้าขึนอ่ะ